อาจารย์ครับก่าในวัฒ ก, การครับผมเจริญพรคุณหมอและท่านผู้ชมผู้ฟังทุกท่านขาฮ่าพระอาจารย์ครับวันนี้เป็นการจัดวิสัชนาธรรมครั้งที่หนึ่งร้อยเจ็ดสิบสองนะครับพระอาจารย์ครับก่อนเข้ารายการพระอาจารย์เระ่อชาวินทบาทเป็นไงบ้างครับคนเยอะ 400, ไหมครับสี่ร้อยสี่ร้อยคนประมาณนั้งสี่คนครับผมวันนี้ไม่ตรงวันพระ ไม่ตรงวันพระไม่ตรงวันเฮ้ยอโหต้องมาทำอมไร <c oughs> ครับผมแต่แต่ยืนพื้นสี่ร้อยกว่าคนแล้วนะครับอาจารย์ประมาณประมาณนั้นเอ่อสี่ร้อยนำทางบ้านจากฝากใสอีกสองร้อยคนโอ้โหได้หร้อยครับผมพระอาจารย์เดินรอบเดียวคนได้ทําบุญกันหกร้อยกว่าคนเลยครับพระอาจารย์ <c oughs> แล้วตอนบ่ายคนฟังธรรมเยอะไหมครับผมทั้งหมดก็ประมาณพันหนึ่ง ทีนักบุตรประมาณร้อยร้อยเจ็สิบร้อยกสิบเก้าครับผมขณะนี้ชมกันอยู่ประมาณพันสาร้อยกว่าคนแลครับอาจารย์ครับก็ถือว่ากุ้มก้านนะใช้สื่อแบบนี้ทำสื่อสารความรู้ทางด้านธ ร, รรมะให้กับผู้ที่สนใจได้ก็เป็นเรื่องที่ดีครับวันนี้เรื่องสําคัญเลยครับอาจารย์ว่าเราถูกขังอยู่ในสังสารวัตผมเคยฟังพระอาจารย์เทศเรื่องนี้ แต่ก็อยากจะฟังอีกว่าจริงๆแล้วเราถูกขังอยู่อย่างไรแล้วเราจะออกไปได้อย่างไรครับกลับขอบความใัอาจารย์ครับก็นัอยู่ในคุกที่มีเชื่อว่าสังสารวัฏคุกแข่งการเวียนว่ายตายเกิดคือเรามาเกิดคราวนี้เรามาได้ร่างกายแล้วร่างกายนี้ก็จะอยู่ไปเรื่อยๆเนืยวก็ตอนนีก็แก่แล้วก็เจ็บแล้วก็ตาย พอตายแล้วเราก็ไปรับผลบุญผลบาปในภพต่างๆที่เราได้ทำไว้ถ้าทำบาปก็ไปรับผลบุญไปเกิดในอบายถ้าทำบุญก็ไปเกิดในสวรรค์ชั้นเทพถ้าเราฝึกจิตทำสมาธิได้เข้ารูปฌปานได้เราก็ไปอยู่สวรรค์ชั้นรูปประพรมนะรปปรูปภพ ถ้าได้อารูปรชาญเราก็จะไปอยู่บนสวรรค์เช่นอรูปโคดเป็นนรูปรภพแต่ภพเหล่านี้เป็นภพชั่วคราวเป็นอนิจจมไม่เที่ยงแาไม่ถาวรพอเหตุที่ส่งไม่ไปไปเกิดในภพเหล่านี้เช่นถ้ารูปรรประชาญเสือ่อมอารูปประชาญเสื่อมจิตก็จะเลื่อนลงมากลับมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่แล้วกลับมาปฏิบัติธรรมใหม่ มาเข้าฌานใหม่ส่วนพวกที่ไปสวรรค์ชั้นเทพนี่ก็ไปเพราะอํานาจของทานทการทําบุญทําทานพอไปอยู่สวรรค์แล้วบุญที่ส่งไปก็จะหมดพอหมดก็กลับมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่แล้วก็มาทําบุญทําทานใหม่ส่วนพวกที่ไปเกิดในอบายพอบาปที่ส่งไปหมดกําลังลงก็กลับมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่แล้วก็กลับมาทําบาป ตามนิสัยเดิมก็มจะมียนว่าตายเกิดอยู่างนี้ไปอย่างไม่มีวันสิ้นสุดพระเจ้าบอกว่าน้ําตาที่เราหลัง่งี่มากยิ่งกว่าน้ํานในมหาสมุทรถ้าเราน้ําตาที่เราต้องร้องโหยร้องไห้ทุกครั้งที่เรามาเกิดมามันต้องมาเจอความทุกข์ต่างๆนี่ถ้าเอาน้ําตาของแต่ละพพแต่ละชาตินี้มารวมกันนี้ยเานบอกว่ามันมีมากยิ่กว่าน้ํานในมหาสมุทร นี่ก็คือคุกตารางที่เราติดอยู่แล้วยังไม่สามารถออกไปจากคุกนี้ได้ถ้าไม่มีคนฉลาดอย่างพระพุทธเจ้ามาค้นพบทางที่จะพาให้ออกจากคุกตารางอันนี้ได้ก็จะติดคุกตารางนี้ไปเรื่อยๆจนกว่าเราจะได้มาเกิดในยุคที่มีพระพุทธเจ้าหรือคําสอนของพระพุทธเจ้าแล้วเรามีความสนใจศึกษาแล้วปฏิบัติตามคําสอนได้ เราก็จะสามารถที่จะออกจากคุกตารางแห่งการเวียนว่ายตายเกิดที่ได้วิธีที่จะออกจากคุกตารางนี้พระเจ้าสอนไวทุกพระองค์ไม่ว่าจะเป็นนโมท้เจ้าโน่นไหนก็ตามจะทรงสอนสามขั้นตอนด้วยกันขั้นตอนแรกให้ว่าการกระทำบาปทั้งบวงการกระทำบาปก็คือปิดประตูบานอย่าไปเกิดไม่ต้องไปเกิ ด, อ ย, กดอย่าไปเกิดในบาน ถ้าจะออกจากคุกตารางนี้ต้องออกจากแดนแดนนี้ก่อนอยเข้าไปติดในแดนนี้พอออกจากคุกตะลางออกจากแดนเอาคุกอย่างจากอบายได้ด้วยการละการกระทําบาปขั้นทนี่สองก็นับระดับให้ขึ้นจากระดับมนุษย์ขึ้นไปสู่ระดับเทพด้วยการทําบุญทําทานทําความดีอย่างจัง ทำความดีเสียสละแบ่งปันช่วยเหลือผู้คนสัตว์หรือมนุษย์หรืออะไรทที่ใครก็เดือดร้อนทำแต่สิ่งที่เป็นคุณไปเป็นประโยชน์แก่ผู้อันนี้ก็จะเป็นยกระดับจิตใจให้ขึ้นจากมนุษย์ให้ไปเป็นเทพนอกจากนั้นก็ให้ทําข้อที่สามก็คือให้ชําระใจให้สาดบริสุทธ์ข้อที่ 1, หนึ่งระการกระทาําปจะได้ออกจากกบาย ปิดประตูอบายไม่ต้องไปติดอะไรมาข้อที่สองก็ให้ยกระดับพอเราเออกจากอบายมาแล้วก็มาเป็นมนุษย์พอเป็นมนุษย์เราก็มาทำบุญเพ่อยกระดับจิตใจให้ขึ้นไปเป็นเทพพอเราทำบุญได้แล้วขั้นต่อไปเราก็ยกระดับจากเทพให้ไปเป็นพรหมด้วยการไปปฏิบัติทำเนีมม่ยธรรมะทงศีลเนี่ยธรรมะ ก, ก็คือ ยุดเดกันสวงหาความสุขจากการเสพลูกเสียงกิน่นรสเพื่อที่จะเอาเวลามาให้กับการปฏิบัติจิตตภาวนาคือขั้นแรกขั้นสมถภาวนาทำจิตให้สงบเป็นสมาธิด้วยการเจริญสติอย่างต่อเ น, นื่องพอจิตสงบเข้าเข้าฌได้จิตก็จะอยู่ในระดับของพรหมชั้นรูปพรม หลังจากนั้นถึงจนะรูปประภพหรืออารู ป, ประภพถ้าเข้ารูปอรูปประชาอนได้ก็จะอยู่ในระดับมารูปประภพแต่ช่องระดับนี้ก็อยู่ก็จากการปฏิบัติสมสถถอรณาแล้วหลังจากนั้นเมื่อเราได้เข้าสู่ระดับพรงแล้วเราถึงจะสามารถออกจากระดับพรลงมาโลกนี้เข้าสู่นิพพานได้าการจะเข้าสู่นิพพานได้เราก็ต้องปฏิบัติท่านต่อไปก็คือข้ามไม่ปัสนาพรนาะ เราต้องจเจริญปัญญาศึกษาให้รู้ว่าอะไรเป็นตัวที่ดึงให้จิตเราต้องติดอยู่ในคุกแห่งการเป็นว่าตายเกิดในพระพุทธเจ้าก็สองคนบอกว่าเหตุที่ดึงให้จิตเราต้องติดอยู่ในตายพบก็คือความอยากจะเสดความสุขของตายพบนั่นเองความอยากจะเสดกล า, ามก็จะมาเกิดในกางมาพบความอยากจะเสดลูประชาก็าจะพาให้มาเกิดในรูปมาพบ เขาอยากจะเสพอรูณประชานก็จะพาให้มันเกิดในอารปณ์ภพถ้าไม่ต้องการที่จะกลับมาเราก็ต้องตัดความอยากเลิกเสพการดูตัวเขาเลิกเสพการก่อนอาจนรย์ไปเลิกเสพการแล้วก็ไปถึงสิของนักบวชศิ่งแปลกขึ้นไปแล้วก็ฝึกจิตทำสมาธิก็จะดึงจิตให้เข้าสู่ สวรรค์หรือผมพบของรูปรู ป, ประพมได้คืรูปประพบถ้าได้รูปประชายก็ได้อยู่ในรูปประพบแล้วถ้าได้อารูปประชายก็ได้อยู่ในอรูปประพบมแล้วหลังจากนั้นก็ใช้ปัญญาพิจารณาว่าอะไรเป็นตัวที่ดึงให้จิตต้องกลับมาเกิดในใตาภพมาติธิคุตรางานการเวียนว่ายตายเกิดก็จะพบว่าการ ม, มาพบการ ม, มาตั้หาความอยากเสพการ ก็จะนําเจตให้ก่อนในการมาพบของมนุษย์พบของเทวดาพบของเดลชานเป็นต้นผู้เสกกรรมถ้าอยากจะออกจากการมมาพบก็ต้องไปละเว้นปฏิบัติเมคตามาละเม่นการหาความสุขจากการเสกการมเช่นการถือศีลแปดนี่ก็ไม่หาความสุขจากการนุ่มหลันองเกี่ยวใครไม่หาความสุขจากการรับประทานนื้อดึ่ม ตามความอยกประทานดืน่มดืได้ตามความจําเป็นของร่างกายแล้วร็ไม่หาความสุขจากการเสียงรูปเสียงกลิ่นรสในรูปแบบของมันเทิงต่างๆมองเราสมบันเทิงแล้วก็ไม่ให้หาความสุขจากการเสริส ม, รบบ ม, ม, ส, มร ส, สวยความงามของร่างกายแล้วก็ไม่ให้หาความสุขจากการดับนอนมากเกินไปให้นอนเรียงที่ไม่สบายเกินไปเตีที่เป็นเป็นพื้นแข็งแข็ง เราจะได้ไม่งอนนะครับเาแค่พักผ่อน้น่ากายสี 4, ชั่วโมงก็พอถ้านอนมันฟูกหนาๆมันสบายหลังจากร่างกายได้พักผ่อนพอตื่นขึ้นมาแล้วใจก็จะไม่อยากจะลุกอยากจะนอนต่อก็จะต่ออสามสี่ชั่วโมงนะก็จะทำให้สูงเสียเวลาในค่าที่ยังนำมาใช้ในการสร้างความสงบสร้างความสมบอีกรูปแบบหนึ่งเพื่อที่จะได้อาศัย สุขที่ได้อยากความสงบนี้มาทดแทนการความสุขที่ได้จากการเสพกาบอันนี้ก็เป็นขั้นตอนแรากระกาบด้วยการชำระความสุขจากการภาวนาสมถะพอได้สมาธิได้รูปปัจจานะโนรูปปัจจานะก็เลิกเสกาบได้ก็ตะกะละกาบมาตัณหาไปได้แล้วก็กลับมาติดติดภาวะตัณหาครับวิภาวะตัณหาก็าคือมาติด ขางเสพรูปปัจจานะรูปปัจจานพอรู้ว่าอันนี้ก็ยังเป็นเป็นเหตุที่ทําให้มันเกิดได้ก็ต้องเลิกเสพเลิกอยากเสพด้วยการเห็นพิจารณาด้วยปัญญาว่าความอยากนี้มันเป็นตัวที่ทําให้ใจไม่สง บ, บแล้วมันทำให้อยากจะไปเสพรูปปัจจานะรูปปัจจานแต่รูปปัจจานนรูปปัจจานะก็เป็นความสง บ, บชั่วคราวไม่ ไม่ถ้าวอนเข้าฌานความสงบก็กลับมาแเดี๋ยวออกจากฌานเ อ, อกจากฌานออกมาความสงบก็หายไปความอยากจะเสร็จความสงบก็กลับมาอีกอันนี้ต้องเห็นโทษของความอยากแล้วก็เห็นความวมิธีของลูกประชานะรูกประชานว่าไม่ใช่เป็นคําตอบที่จะให้ความสงบอย่างถาวําความสงบที่ถาวอนก็คือต้องหยุดเสร็จหยุดหยุดอยาก พอเราไม่มีความอยากจิตก็จะสงบเพราะตัวที่ทำให้ใจไม่สงบจิตไม่สงบก็คือความอยากทําการดูเวลาที่เราไม่มีความอยากเราจะรู้สึกสบายสบายพรอเกิดความอยากขึ้นมา น, นี้อยู่เฉยๆไม่น่ามันไม่สุขรู้สึกต้องไปทําอะไรตามความอยากถึงจะบรรเทาความรู้สึกที่ไม่สบายใจนี้ได้ดังนั้นเราก็ฝืน เราก็หยุดความอยากเรื่การไม่ทําความอยากด้วยการเห็นโทษของความอยากมันเป็นตัวที่จะพาให้เรากลับมาเวียนว่ายตายเกิดเป็นตัวที่สร้างความทุกข์ให้กับใจของเร า, าเราพอเห็นด้วยปัญญาว่าตัวปัญหาก็คือความอยากพอมีอยากอะไรมันก็อย่าไปทําตามอยากจะเข้าชานก็ไม่เข้าพอมไม่ทําตามความอยากเดี๋ยวความอยากนั้นก็จะหายไปพอมไม่มีความอยาก คามสง บ, บก็กลับมาสง บ, บกลับมาแบบโดยที่ไม่ต้องเข้าฌานไม่ต้องเข้าสมาธิสงบเพราะกำจัดตัวที่มาสร้างความไม่สง บ, บก็คือความอยากความอยากก็จะหมดไปทั้งสามกรารพัฒนาก็หมดไปภาวะทนันหะก็หมดไปวิภาวะทนันหะก็หมดไปพามงงานาทั้งสามนี่หมดการจะกรรมมันเกิดในใจพบก็ไม่มีต่อไปไม่มีการพัฒนาก็ไม่มาเกิดในกาลมาภพ ไม่มีภาวะัศนาก็ไม่กลับมาเกิดในในรูปภพไม่มีวิภาวะัศนาก็จะไม่กลับมาเกิดในรูปภพแล้วตัาทั้งสามนั้นตามที่พระเจ้าทรงแสดงไว้ในอนิยัสสัจสี่ตัณหาเป็นเหตุที่พาให้จิตต้องมาเวีนว่าตายเกิดเกิดแกเจ็บตายในสามภพพอไม่มีตัณหาแล้วก็ไม่มีเหตุที่จะนึงจิตให้กลับมาเกิดแกเจ็บตายในตายภพต่อไป จิตก็อยู่ที่นิพพานอยู่นอกคุกตารางแหงการเวียนว่ายตายเกิดอ น, นี้คือวิธีการของการออกจากคุกตารางของสังสารวัตรต้องออกด้วยการขั้นแรกน ะ, ะการกระทําบาปทั้งปวงแล้วก็สร้างบุญสร้างกุศลยกระดับจิตให้ขึ้นจากระดับของมนุษย์ให้ไปเป็นเทเให้ขึ้นมาสู่สวรชั้นเทพแล้วจากสวรรค์ชั้นเทเกก็ยกระดับให้ขึ้นมาสู่สวรรค์ชั้นโปร ในการฝึกสมาธิด้วยการถือในคำะเห็นในคําว่าไม่เสกกรรมเป็นการเสกการมาเป็นการเสกความส ม, มองนั้นติดสุขได้จากรูก ป, ประชานรูกประชานพอละการเสกกรรมนั้นก็ต้องาละการเสกรูกประชานะรูกประชานเพราะว่ามันเป็นมันเป็นเหมือนยาเป็นเหมือนเครื่องมือที่เราใช้ในการแก้ แก้กามาตัดหนาะพอเราแก้ได้แล้วเราก็ไม่ต้องกินยาสองชิ้นอย่าไปติดยาบางคนโรคหายแล้วยังไปกลับมาติดยาใช่พวกที่กินยาแก้ปนนะวดนีะบางทีอาการปวดหายไปแล้วแต่มันไปติดยาแก้ปนนะวดพอไม่ได้กินมันก็จะรู้สึกทุกตอนนั้นก็ต้องฝืนอย่าไปกินยาไม่กิน เ, เพื่อเพื่อรักษาโรคเมื่อโรคหายแล้วก็ไม่ต้องกินยา ลูประชากรลูกประชากก็ปัญญาเป็นเครื่องมือในการใช้กําจัดการมาตฐาพอการมาตหานหมดแล้วก็อย่าไปเสกอย่าไปอยากเข้าฌานอยู่นอกฌานก็มีความสุขได้ถ้าไม่มีความอยากเห็นท่านมีความอยากก็ต้องหยุดความอยากเะด้วยการไม่ทําตามความอยากพอไม่ทําตามความอยากความอยากมันก็จะหายไปแล้วก็จะไม่มีอะไรมาลบโกนใจต่อไปไม่มีอะไรมาเดินใจให้เป็นเกิด น, นปัญหาทั้งหมดก็อยู่ที่ความอยากสามตัวนี้กรรมนนาัฏฐานาพวัฏา น, นาวิปวัฏานาจแก้ได้ก็ต้องด้วยการปฏิบัติศีล ส, สมาธิปัญญาและการธรรมา ท, ทั้งปวงสร้างบุญสร้างุญสนอย่างตแล้วก็ทำจิตให้สงบให้เข้าสู่ในฌานรูปฌปานแล้วก็เจริญปัญญาให้เห็นว่าความทุกข์ทั้งหลายการมีมีตายเกิดในตายพร้อมนี้เกิดจากความอยากทั้งสามนี้ ก็ต้องหยุดความอยากเหล่านี้ไปให้หมดสิ้นพอหยืนบมดแล้วก็ไม่มีอะไรมานยังเจ็ดให้ไปเกินอีกต่อไปพระอาจารย์ครับแล้วบุคคลที่หมดความอยากทั้งสามนี้ไปแล้วเขาก็ยัอยู่ในโลกได้สบายๆเลยใช่ไหมครับไม่ได้จําเป็นจะต้องอยู่ปกติครับพระเจ้าท่านก็ท่านจะตัดความอยากได้ในวันเพ็ญเดือนเดือนหก ตอนที่มีพระชมอายุ35ปีตรงนั้นนะเป็นตอนที่ท่านสามารถหยุดความอยากทั้งสามได้หมดเสียม่อยากใจโดยการนั่งใต้ตนโพแล้วอธิษฐานว่าจะไม่รู้จักที่นี่ไปจนกว่าความอยากจะหมดไปจากใจเพราะความอยากหมดไปยากใจก็เหมือนกับคนที่รักษาโาครคภัยแค่เจ็บกําจัดเหตุที่มาทําให้เกิดโครคภัยแค่เจ็บ เตุคือเชื้อโรคหรือะไรก็ตามพอบัรทุกกำจัดหมดร่า น, นกาก็ยังอยู่ต่อไปใช่ไหมอยู่อย่างสุขอย่างสบายไม่เจ็บไม่ปวดตรงนั้นตรงนี้จิตก็เหมือกับร่างกายพอกำจัดเชื่อโลกตัวที่มาทําให้ใจทุกข์ได้คือความอยากทั้งสามได้พอความอยากหมดไปใจก็ยังอยู่เหมือนเดิมเป็นแต่อยู่แบบไม่มีความทุกข์ใจไม่มีความม่นวายใจเห็นรู้เสียงกลิ่นนั้นก็ไม่ได้เดือดร้อนอะไรมีไม่นีกไ็ไม่ได้ไม่เดือดร้อนไม่มีความอยาก แต่ถ้ายังมีความจะเป็นจะต้องสัมผัสกันบ้างเพราะยังมีร่างกายที่ต้องเล่นดูอยู่ก็ยังต้องสัมผัสรูปเสียงกลิ่นรดของอาหารบ้าง ก, ก็กินไปแต่ไม่ได้กินด้วยการอยากกินกินว่าเหมือนกินยายางกงยังอยู่ได้ตามปกติยัง ส, สามารถฟังเสียงได้ใครพูดใครดา่าใครชมก็ได้ยินแต่ใจไม่เดือดร้อนกับการการชมการด่ามีทรพย์สินอะไรใครให้มาก็รับไว้ได้ แล้วเกิมันหายไปใครขโมยไปก็ไม่เสียใจไม่ทุกข์ใจเพราะไม่ไนดะ้อาศัยทรัพย์สินเหล่านั้นมาเป็นเครื่องให้ความสุขเพราะใจที่ไม่มีความอยากมันมีความสุขของมันในตัวอารมณ์มาสุดไม่ต้องไปหาความสุขจากรูปเสียงกลิ่นรสไม่ต้องไปเที่ยวที่นั่นที่นี่ไม่ต้องมีแฟนไม่ต้องมีอะไรอยู่คนเดียวยัง ม, มีความสุข พระเจ้าไม่ได้กลับไปในวงังไม่หลังจากที่ตัดสันะแล้วไม่ได้กลับไปอยู่ในวังนะแต่ก็ยังอยู่แบบนักบวชอยู่ตามโคนไม้อยู่ตา ม, มาอะร ต, ต่อมาก็มีคนศรัทธาก็สร้างกุฏิสร้างวัดแห้ท่านอยู่พระเจ้าก็เดินทางไปที่ไหนก็มีคนสร้างวัดให้ท่านอยู่แต่ท่านก็เดินทางไปเพื่อไปเผยแผ่ธรรมไปโปวดใจให้รู้จักวิธีการหลุดออกจากคุกจำลองแห่งการเยีวยวยาใดกันเถิด แต่ใจของท่านไม่ได้หวั ง, ไ ม, ไ, วงไม่ได้หวังความสุขจากการกระทำอะไรทั้งสิ้นเพราใจของท่านสมบูรณ์ด้วยความสุขร0อยเปอร์เซ็นตลอดเวลาวารามังสุขขังไม่ต้องมีอะไรมาเติมก็ไม่ไม่ น, น้ำที่มันเต็มแก้วแล้วเราเติมน้าเข้าไปกี่กี่ขวดมันก็ได้น้ำน้าก็เต็มแก้วอยู่อแล้วลมันก็ไม่มีวันพร่อม ครับพระคุณพระอาจารย์ครับเขาอกาศถามจากเพื่อนๆนบ้างนะครับคุณแว่นครับสติปฐานสี่กายเวทนาจิตธรรมขอความเมตตาพระอาจารย์อธิบายวิธีปฏิบัติสติปฐานข้อธรรมให้ด้วยให้เข้าใจด้วยครับคือการปฏิบัติกายเวทนาจิตธรรมนี้มันมันแบ่งเป็นสองระดับระดับแรกขอเราคือการปฏิบัติเพื่อทํำใจให้สงบแล้วก็ใช้อ่า อาการของร่างกายเป็นที่ตั้งของสติเพื่อทำใจให้สงบที่เราผูกใจไว้ให้อยู่กับการเคลื่อนไหวของร่างกายทั้งวันทั้งคืนไม่ปล่อยให้ใจไปคิดที่เรื่องนี้เรื่องมีให้อยู่ของร่างกายให้เฝ้าอยู่ว่าร่างกายของทำอะไรอันนี้ก็เป็นการฝึกสติพอเรามีสติเราก็มาตั้งสมาธิก็ดูลมหายใจเขา้าออกอานาปนานสติ เพื่อให้ได้เข้าฌานระดับต่างๆเข้ารูปฌานก็รูปฌานด้วยการใช้ใช้อญญานาปานสติอ น, นาปานสติก็จะเข้าสู่ภาพพระสูง ร, ร, รูปฌานส่วนขั้นอาลูปฌานนี้ก็ใช้อารมณ์อื่นไม่นั่งใช้อญญานาปานสติอืใช้ความว่างของจิตว่างจากวิญญาณว่างจากสัญญาว่างจากอะไรนี้เป็นอารมณ์แทนเราจึงได้ว่ารูปฌานไม่ได้ใช้รูปเป็นเครื่อง เครืองทำให้จิตสงบแล้วรูปประจานี้เราใช้รูปก็คือใช้ร่างกายหรือใช้ลมหายใจเป็นเป็นอารมณ์ในการที่จะให้เข้าสู่ความสงบอย่างอันดับแรกของสติปัฏฐานสี่ที่เกี่ยวกับกายก็คือให้เจริญสติให้นั่งสมาธิเพื่อให้ได้รูปประจานะรูปปัจจานเมื่อได้รูปประจานรูปปัจจานแล้วก็จะได้อุเบกขาทีนี้นก็จะใช้อุเบกขานี้มาต่อสู้กับความอยาก ที่ยังไม่ผูกพันอยู่กับร่างกายอย่างอยากให้ร่างกายไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายก็ต้องตัดความอยากนี้ด้วยการพิจารณาว่าร <g zia> <t> ่างกายต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายไปอยากก็ไม่ได้เปลี่ยนแปลงอะไรแั่จะทำให้ใจทุกข์ไปเปล่าก็หยุดความอยากสิปล่อยให้มันแก่ให้มันเจ็บมันตายก็จะไม่ทุกข์กับความแก่ความเจ็บความตายของร่างกาย แต่แล้วก็ยังไปรักร่างกายของคนอื่นว่าสวยมากงามว่าหล่อแล้วอยากให้เข้ามาเป็นแฟนร่วมเพศกันก็ต้องพิจารณาสุภาพพิจารณาให้เมื่อซากศพเป็นทากศกเวลาตายไปซากสมรักกันขนาดไหนก็ไม่เก็บไว้ในบ้านแล้วใช่ไหมนี <c oughs> ่ส่งให้สั ป, ปเหร่เลยตายง่ลยสั ป, ปเหจัดการได้ด้วยเวลาอย่างงู้นใจอยู่ใครมาแตะไม่ได้ ถสัปเลอยมาขอไปเลยก็โกรธกันทันทีครับแต่พอไม่มีลมหายใจแล้วยกให้เลยยกให้สับปะเลยไปได้เลยเพราะรู้ว่ า, าต่อไปร่างกายมันต้องเหม็นเน่าใช่ไหถ้ามันตายแล้วหรือถ้ายังไม่ตายถ้าเรามองทะลุเข้าไปใต้เปลกหนังได้มันก็เห็นอนาะการสามสิบสองาการอวายว่าต่างๆที่อยู่ภายใต้ร่างกายมันก็จะทําทให้ความอยากเสพการกับผู้นั้นผู้นี้ก็หมดไป ในกาแก้ปัญหาคัดลาแก้กามตาตัญหาการมตาตัญหาที่ต้องมีกายเป็นเครื่องมือร่างกายต้องมีตาหูจมู ก, กลิ้นกายแก้โดยการพิจารณากายพิจารณาว่าไม่เที่ยงเกิดแก่เจ็บตายพิจารณาว่าไม่เท่เตัวเราของเราเป็นทิศธาตุสีทินน้ำลมไฟพิจารณาว่าไม่สวยงามเป็นซากศพหรื้เป็นอาการสามสิบสองเขจะสามารถตัดการการมาลาค่ า, าการมต า, าตัญหาทั้งหลาย แล้วที่เกี่ยวกับกามก็จะหมดไปทีเราก็มาแก้ที่เรื่จิตต่อไปส่วนเวทนามันก็มันก็มาก่อกายเวลาเราเจ็บไข้ได้ป่วยก็เกิดทุกขเวทนาแล้วก็พิจารณาว่ามันไม่เที่ยงเราก็ไม่สามารถที่จะไปสั่งมันให้มันหายได้ก็หยุดความอยากให้มันไม่หให้มันหายไปอยู่กับมันไปพออยู่ด้วยไม่มีความอยากมันก็ไม่ทุกข์กับความเจ็บป่วยของร่างกาย ก็ผ่านเวทนาไปได้ก็แล้วแต่จิตนะจิตก็คืออารมณ์ที่ที่ไม่สงบเนี่ยแต่เราอยากให้มันสงบแล้วก็เลยใช้การเข้าเข้าฌานการเข้าฌานมันก็เป็นการแก้ปัญหาชั่วคราวม่ได้เป็นการแก้ต้องอย่างถาวรก็ต้องค้นหาว่าความไม่สงบของจิตเก่อนจะได้ก็จะเห็นว่าเกิดจากปัญหาความอย า, ากต่างก็รับด้วยปัญญา เพราะความอยากมันเป็นเหตุท้่ทําให้ใจทุกข์เพราะสิ่งที่อยากที่จะมาแกใ้ให้ให้ให้ใจมีความสุขมันก็เป็นมันก็แก้ได้ชั่วคราวเช่นรูปปัจจานุวัติรูปปัจจานก็ตัดออกไปให้หมดอันนี้ก็จบส่วนธรรมก็คือทํามที่เรามาเราจเจริญกันเนี่ยสติเอ่ยสมาธิเอ่ยล้วก็ดูว่าในะใจเรามีธรรมอะไรบ้างมีมีมรรคแปดหรือเปล่ามีสมาธิทียมมีอะไรหรือเปล่า อันนี้ก็ส่วนธรรมนี่มันไม่จำเป็นจะต้องไปสนใจเพราะการปฏิบัติขายเวทนาจิตมันก็จะทำให้เกิดธรรมต่างขึ้นมาโดยอัตโนมันติขออ น, นุญาตอาจารย์บอกเพื่อนใน TikTok นะครับสามารถจะถามคำถามเข้ามาได้แล้วนะครับคุณดำครับธรรมะกับการลงทุนในหุ้นไปด้วยกันได้หรือไม่เมื่อสองวันก่อนหุ้นขึ้นเยอะก็เห็นจิตที่ดีใจและเห็นความโลภ แต่หากพรุ่งนี้หุ้นลงก็คงจะเสียดายถือเป็นการปฏิบัติในการดูจิตในชีวิตประจําวันได้หรือไม่ครับคือการดูจิตก็เพื่อที่จะตัดความโลภความโกรธความหลงนั่นเองระวังความโลภความโกรธความหลงมันอยู่ในจิตนไม่ได้อยู่ที่เข้าของเงินทองนั้นคนนั้นคนนี้แต่เรามักจะไปเข้าใจผิดว่ามันอยู่ที่คนนั้นคนนี้นเวลาใครก็ทําให้เราโกรธเราคิดว่าอนี่มันเป็นตัวที่ทําให้เราโกรธต้องเป็นกำจัดมันแล้วถึงจะหายโกรธเนี่ย นะครับจิตความโกรธมันเกิดจากใจของเราไม่พอใจกับการกระทําของเขาต้ออยากให้เขาทาอย่างนั้นทําอย่างนี้เพราะเขาไม่ทำํำเราก็เลยไปโกรธเขาพอโกรธใจแล้วก็ทุกถ้าเราไม่อยากจะทุกเราก็ต้องระงับความโกรธด้วยการหยุดความโกรธของเราไม่ใช่ไปหยุดคนที่ทําให้เราโกรธนีก่ก็การดูใจเวลาหุ้นขึ้นก็ดีใจพอหุ้นตกก็เสียใจอันนี้ก็เกิดจากที่เราไม่ดูใจเรามาไปดูหุ้นแทน ถ้าเราดูใจเราเวลาหุ้นขึ้นเราก็อย่าไปดีใจถ้าดีใจก็ต้องหยุดไนันเพราะดีใจมันทําให้เราโลภโลภแล้วเราก็จะทําให้เราอยากได้พอไม่ได้ก็จะเสียใจแล้วพอพอหุ้นตกถ้าเราได้หุ้นมาตอนต้นเราก็ดีใจพอหุ้นตกเราก็เสียใจรู้นี้ไม่ซื้อดีกว่ามันก็ว่าให้ถ้าจะปฏิบัติธรรมต้องดูที่ความโลภความอยาก อย่าไปทําตามความโลภความอยากพุ้ ม, มันยังขึ้นกี่เท่าไรก็ช่างหัวมันใช้ปัญญามันไม่เที่ยงเดี๋ยวมันก็ต้องลงมันอยู่ระดับนี้มากี่ปีแล้วเนี่ยนานนะเลยใช่ไหมครับพุ้ประเทศอื่นก็ขึ้นเงินเป็ น, เ ป, นเป็นอะไรกันนะนี่พุ้นประเทศนี้มันอยู่แค่แค่เนี้ยมาไม่รกี่ปีแล้วต่อเริ่มต้นตลาดหุ้นทั้งเนี้ย ถ, ถ้าจำไม่ผิดสติติสูงสุดก็แค่พันแปดมันเพขึ้นมาสูงสุด ถล้วก็ตกลงมาอยู่แถวนี้ยมาเมื่อกี่ปีแล้วแนวช่วงให้ว่าขึ้นเป็นหมื่นเป็นอะไรก็แล้วใช่แต่ขึ้นมันก็มีลงพวกที่ขึ้นเดี๋ยวเวลามันลงก็ปวดหัวกันเนี้ยวันหนึ่งมันอาจจะลงแรงแบบที่ยกที่ต้มหยำกู้เอะไรรืออะไรอย่างเงี้ยมันเวลามันจะลงที่มันมันก็อาจจะวุ่นวายกันคนคาด ในสมัยก่อนที่อเมริกาก็คนท่าตตายกันช่วงที่ดิเปรสชันเนี่ยหุ่นตกหมดเลยไม่มีราคาเลยเนี่นจามันมที่ไหนมาใช้มากินอยู่ฉันั้นต้องมองได้ตายรับมองนิจจาทุกขังนัต่ตาหลรับว่าจะเป็นอะไรแล้าเราก็จะระงับความอยากได้อยู่แบบสมสถะเรียบง่ายของเราไปเลยกว่าเก็บเงินเก็บทาไว้ฝัง ไปยังทางการที่ปลอดภัยหรือเอาไปลงทุนที่ปลอดภัยหรือเอาไปซื้อเปลี่ยนเป็นของบ้านปรดซื้อเพชรบ้างซื้อทองบ้างก็ได้กระจายความเสี่ยงไปแต่อย่าไปโลภอย่างได้อถ้าอยากได้รูปทหารหาเงินมาแบบนี้ทาอาชีพสุดทิ่ทำงานั้งหายแบบสุดทิ่ไปแต่ก็สําคัญก็คืออย่าหลงเรื่องจากการมีเงินปัญหาคือพอมีเงินแล้วมันอดที่จะใช้ไม่ได้พอใช้แล้วมันติด พอจะต้องลดค่าใช้จ่ายมันลดไม่ลงเวลาเพิ่มค่าใช้จ่ายมันเพิ่มได้นะแต่เวลาลดค่าใช้จ่ายมันลดไม่ลงอตอนต้นทารถราชาระดับแสนพอมีเงินก็ซื้อรถระดับล้านแต่พอเงินตกรถลดเหลือไม่มีเงินที่จะับรถระดับล้านพอเปลี่ยนระดับแสนก็รู้สึกทุกข์เลยเห็นต้องคอยควบคุมรายจ่ายครับอืิงัก ไว้สําโดดหวพ่เจ้าบปลอดภัยที่สุดก็ยืมมามื่อไรสั่นโดโดใช้เท่าที่จำเป็นมีเท่าที่จงเป็นถ้าไม่ได้ก็เอาเท่าที่มีตามมีตามเกิดได้เท่าไหร่ก็พอใจเท่านั้นอย่าโลภอย่าไปโลภมันจะไม่ไม่เดือดร้อนมีคนถามว่าขอความเมตตาอยากจรทรับช่องทางใส่บาทออนไลน์ของวัดยาน เราไม่มีสครับอาจารย์คุณหมอที่ที่คุณหมอติดต่อที่ร้านที่คุณหมอสาหานะครับครับผมก็มจะบอกว่ามีแม่ค้าอยู่สามร้านนะครับที่ที่<ม>ทํำอาหานที่เขาโอนเงินให้เดี๋ยวค่อยบอกอีกทีนึงแล้วกันนะครับอาจารย์หมอบอกเข้าไปก็ได้ครับผ่ายกว่อาจารย์เรียวกลับครับคุณวันเพ็ญครับบอกว่าลูกระลึกถึงความตายบ่อยฝึกสติพุโทโธและสติ บริกรรมอัฐิจับภาพหัวกระโหลกนั่งสมาธิรู้สึกจิตโล่งเบาสบายออกจากสมาธิมาพิจารณาว่าเวลาจะตายน้อมจิตเกาะภาพพระและหัวกระโหลกไว้เพื่อข้ามเวทนาทางกายของอาจารย์ชี้แนครับอันนี้ก็ยังเป็นวิธีของสมาธิยังไม่ได้เป็นวิธีของปัญญาคือเวลาจะตายก็อาศัยสติแล้วภาพานั้นไว้ ให้ทำให้จิตให้ยิ่งแต่ยังไม่ได้พิจารณาทางปัญญาว่าหน้ากายเป็นของไม่เที่ยเป็นเขาที่จะต้องตายไปเป็นธรรมดาความตายมไม่ใช่เป็นสิ่งที่น่ากลัวตัวที่น่ากลัวคือความไม่อยากตายอันนี้หน้าที่เรามดแก้คือตัณหาความอยากที่ทำให้ใจทุกข์ถ้ายอมตายความไม่อยากตายมันจะหายไป อันนี้ก็ไม่ต้องไม่ต้องใช้สมาธิไม่ต้องใช้สติมาเกาะจิตภาพอะไรเพียงจยอมตายใช่มันก็จะไม่จุกกับความตายอันนี้ต้องขั้นต่อไปขั้นปัญญาขั้นต้นถ้ายังไม่มีปัญญาก็อาศัยขั้นสมาธิให้เวลาเจะความทุกข์ก็พุทโธพุทโธไปไม่ใช้อะไรยึดเปิดเพิ่หยุดความอยากไว้แต่ไม่ได้รู้ว่าความอยากนี่เป็นตัวที่ทําให้เราทุกข์ ความอยากอะไรความอยากไม่ตายอยางไม่เจ็บเนี่ยถ้าอยากจะใช้ปัญญาก็ต้องสอนใจว่าอย่าไปอยากให้มันไม่ตายอย่าไปอยากให้มันไม่เจ็บมันจะเจ็บไปมันเจ็บไปมันจะตายไ้มันตายไปถ้าอย่างนั้นก็ไม่ต้องใช้ไม่ต้องใช้ภาพไม่ต้องใช้สติอะไรเพียงแต่ทำใจเฉยๆเลยเวลานั่งสมาธิแล้วมีสิ่งที่มองไม่เห็นมาสัมผัสเรา เราจะแก้ไขความกลัวนี้ได้อย่างไรครับก็เราเล็กถึงพระพุทธ็ทําประสงค์อยา่างใดอย่างหนึ่งก็ไดนะ้พุโทโธพุโทโธไปถ้าถ้านั่งแล้วปรากฏอย่างนี้แสดงว่าเราไม่มีสติถ้ามีสติน้อน้อยก็จะไม่เกิดเหตุการณ์ต่างๆเหล่ า, า, านี้เวลาสมาธิจําเป็นจะต้องมีสติคอยกากับใจถ้าเป็นพุทธา น, นุนสติก็ต้องบริกรรมพุโทโธพุโทโธไปถ้าเป็นอานาปะฏสติก็ต้องดูลมหายใจไป จริงเรียกว่าเป็นการนั่งสมาธิที่ถูกที่ถูกต้องในถ้านั่งแบบปล่อยให้ใจลอยนึกจะดูอะไรก็ดูนึกจะคิดอะไรก็คิดถ้าอย่างนี้นะมัไม่ได้นั่งสมาธินั่งนั่งนั่งสร้างภาพลอ้อนมาหลอกตัวเองเห็น <c oughs> นั่งแบบไม่มีสติต้อง ม, มีสติคอยควบคุมใจตลอดเวลาแล้วใจก็จะไม่มีเวลาที่จะมาผลิตภาพร้อนต่างๆมาหลอกใจ คุณแม่ครับการสร้างพระพุทธรูปพระประธานในวัดได้บุญหรือไม่ยอย่างไรครับเป็นการทําทานอย่างหนึ่งนการเสียสละทรัพย์สมบัติเข้าของเองินเท็กน้ราอ ย, อยู่ให้กับการสร้างถานวัลลามัตถุที่เราคิดว่าอ่าเป็นส่วนประกอบกับพระศาสนาเช่นโบสถ์เจดีสร้างโบสถ์ก็ต้องมีพระพุทธรูปปฏิสฐานในโบสถ์เป็นต้น ก็ก็เป็นการทําบุญเน้นว่าในระดับทานอันที่สอก็คือตายไปก็ได้ไปเป็นเทพไปสวรรค์เหมือนกับการใส่บาตรเหมือนกับการถวายผ้าป่าผ้ากระถิ่นอย่างนี้นก็ถือว่าเป็นลักษณะเดียวกันเป็นการทําบุญทำทานเหมือนกันเวลาที่เรานั่งสมาธิสามารถใช้พัดลมหรือเครื่องปรับอากาศและสิ่งช่วยอื่นๆเช่นที่อุดหูได้ไหมครับก็ ถาเราอาศัยสิ่งภายนอกแล้วถ้าเกิดต่อไปไม่มีสิ่งภายนอกให้อาศัยเราจะทํายังไงเราก็จะนั่งไม่ได้เป็นทางที่ดีอย่าไปพึ่งพาอาศัยสิ่งภายนอกเลยการนั่งสมาธิเราต้องการเน้งจิตให้ออกจากการการรมกบฏออกจากรูปเสียงกลิก่นรสโผฏฐาพะงั้นเราอย่าไปอย่าไปมีอะไรภายนอกเลยที่จะมาคอยบรรเทาความสุขมามาให้ความสุขกับทางร่างกาย ว่เราต้องการที่จะาหาความสุขผ่านทางร่างกายด้วยการเอาจิตเข้าสู่สมาธิให้เข้าสู่ข้างใ น, น, นไม่ต้องคนที่จะต้องมีอะไรเลยยกเว้นว่าถ้าเราอยู่ในที่ที่มั น, มนกระแทกเครือข่มแล้วาหาที่สงบไม่ได้ก็เราเอาอะไรที่มาอมถูดูก็ได้แต่เราไม่เคยลองนไม่นุ่งหลับ ม, มันเป็นธรรมชาติหรือไม่คือตามปกติคนยันอยู่ให้มันเป็นแบบธรรมชาติ ไม่เ้องไปจัดการอะไรปล่อยให้ธรรมชาติสิ่งว่ามันเป็นไปตามเรื่องของเขาเราม่หน้าที่มาจดัดการสตินั่งสมาธิถ้าสติอดีจิตเราเข้าสมาธิได้สิ่งภายนอกที่เกี่ยวที่มาสัมพันธ์กับร่าการจะไม่ม า, าก็ตทองกระเทือนใจเราเลยใจเราจะไม่เดือดร้อนคุณมาลีครับกลับขอเรียนถามพระอาจารย์วัดศพที่ตั้งในศาลาสวดการที่มีพระพุรูป อยู่เหนือหัวผู้ตายมีความหมายเกี่ยวกับอะไรบ้างครับไม่มีหรอกพระเทลูกก็เป็นสิ่งที่พวกเราเขาร่นับถือก็ตั้งไว้ที่ที่เหนือศีรษะเขาแล้วแ ต, แวแต่แล้วแต่ความเชื่อแล้วแต่ประเพท น, นี้การที่ไม่ต้องมีพระเทลูปอะไรก็ได้มันไม่เกี่ยวกันเนแต่ว่าเขาก็ทางพุทธศาสนาก็เคารพพระพุทธเจ้าไม่ว่าจะทําอะไรก็ต้องมีพระเทูปเป็นองค์ประธานด้านนี้ ถ้าคนยืมเงินเราเขาไม่คืนเรามีวิธีคิดแบบไหนถึงจะไม่ทุกข์ถ้าลึกๆเราสามารถสละเงินนั้นได้ครับก็มีสองวิธีคิดว่าเราเอาจจะเป็นหนี้กิเราเครเป็นหนี้เก่าเขามันก่อนในชาติก่อนหรือเราเคยไปหลอกเขาเป็นขโมยเงินเขามาเก่าชาติเขาอะไร เ, าไ เ, าไเ้ามาเอาคืนไปใช้ห น, นี้เก่าไปหรืจะคิดว่าเป็นการทําบุญทำทานก็ได้สังเกตดไว้เวลาเราทำบุญทําทานเราทุกข์ไหมไม่ทุกข์ใช่ไหมเรามีความสุข ก็ที่ว่าเป็นดีแทมท่จะต้องไปวัดไปที่นู่นที่นี่ไปบริจาคเงินทองมีคนเข้ามารับจากจากจากมือของเราเลยเราอยู่บ้านเฉยๆให้เขาไปก็ถือว่าเป็นการทําบุญทําทานไปก็ได้ใจเราก็จะไม่ทุกข์หรอคิดอีกอย่างก็ได้ว่ า, วามันอาจจะไม่ใช่เป็นเงินของเรามันถึงไม่อยู่กับเรามันเป็นอนาตตา ถ้ามันเป็นของเรา ม, มันก็จะอยู่กับเราถ้ามันไม่อยู่กับเราก็แสดงว่าไม่ใช่เงินของเราคุญแจนครับถ้าเราจะอุทิศบุญให้ผู้ที่ล่วงลับไปแล้วเราต้องพูดชื่อเขาออกเสียงไหมหรือแค่คิดชื่อเขาในใจได้ครับคิดในใจก็ได้แล้วก็ไม่ต้องใช้น้ำกุวลก็ได้ใช้ความความคิดของเราเนี่ยความสุขที่เราได้จากการทําบุญเนี่ยเราก็ใช้ความคิดของเราเที่ว่าเขาใช พอส่งบุญส่วนนี้ให้กับผู้ที่รงรับไปแล้วชื่อนั้นชื่อนี้ก็สำเร็จประโยชน์แล้วไม่ต้องมีน้ำก็ได้ไม่ต้องมีพระมาโศนด้วยไม่เกี่ยวกันกรบผมเคยถึงอปปนาสมาธิหยุดหายใจเคยเห็นเวทนาตอนเดินจากทุกข์มากๆพอสละตายใจดวงทุกมีความเย็นขึ้นมาคืออะไรครับคือใจสงบปล่อยวางอันนั้นหละคือเป้าหมาย ต้องปรุงให้ได้วเวลาปรุงน้ำใจที่น้อยมั่วน้อยก็จะสงบเย็นขึน้นมาทันทีคุณเปาครับการสร้างบา ร, รมีเบื้องต้นมีทานบา ร, รมีเป็นเบื้องต้นจนถึงอุเบกขาบา ร, รมีถ้าเราสร้างบา ร, รมีไม่เต็มสามารถปฏิบัติให้หลุดพ้นจากกิเลสได้ไหมครับขอทราบรายละเอียดครับบางต้องครบเสร็จเนี่ยมันถึงจะสามารถที่จะ พ้นจากกิเลสได้อย่างพระอครูเจ้าเนี่ยก็ยังต้องมาสร้างบา ร, รมีสุดท้ายอยู่สร้าง้นขัมมะบา ร, รมีในการมาออกบวชนะแล้วก็สร้างอุเบกขาบา ร, รมีด้วยการถึกสมาธิหลังจากนั้นก็ต้องมาสร้างปัญญาบา ร, รมีด้วยการพิจารณาหาสาเหตุของความทุกข์เกิดจากอะไรก็ได้ตรงกล้มพบอริยสัจสก็ยังต้องมาสร้างห้ครบ ถึนจะสามารถลากกิเลสตัดความอยา ก, กต่างๆให้หมดไปจากใจได้มีผู้ถามบอกว่าติดตามจากช่องอื่นได้ช่องไหนบ้างอยากจะฟังก่อนนอนจะบอกว่าได้ทุกช่องนะครับช่องแตงช่องฟ้าได้หมดเลยครับในติ๊กตอ็อกไทเพราะว่าในติ๊กต็อกมันไลค์แล้วมันไม่ได้ขอดครับอาจารย์ครับอตอนนี้เท่านั้นครับผคุณวราพรครับ ม, เเมีเรื่องการเป็นถามพระอาจารย์เรื่องการภาวนาพุโทโธพุโทโธระหว่างวันต้องสัมพันธ์กับลมหายใจเข้าออกหรือเปล่าครับไม่จำเป็นเลยพุโทโธอย่างเดียวก็ได้ไม่ต้องไม่ต้องหนูลมเลยก็ได้ใช้อย่างใดอย่างหนึ่งจะง่ายกว่าโดยเฉพาะถ้าเรามีการเคลื่อนไหวทาการทางานอะไรนี้ใช้พุทโธอย่างเดียวดีกว่าคุณเข็มจีลาครับ ขอความเมตตาเมตตาธรรมค้ำจุนโลกเราเริ่มจากตัวเองยังไงถึงจะเรียกว่าค้ำจุนโลกได้ครับคือเขาข อ, ขอค้ำจุนเลาก็คือให้โลกให้โลกอยู่อย่างสงบอย่างนี้สงบสบายไม่ทุกข์ไม่เดือดร้อ น, นไม่มวุ่นวายพราะคนที่อยู่ในโลกนี้มีความรักกันเมตตาต่อกันทั้งนั้นเลยไม่ฆ่าฟันกันไม่เบียดเบียนกันความหมายของความมีเมตตาค้คำจุนโลกให้โลกอยู่อย่างสงบอย่างผาสุก ไม่ใช่ห้อยู่มาทุกข์ยากเดือดร้อนที่ไปสังเกตุที่ไหนที่ก็มีสงคำเนี่ยที่นั่นน่ะไม่มีความเมตตาถ้ามีความเมตตาทุกคนจะไม่ฆ่ากันไม่ไม่ทำร้ายกันในประเทศไทยตอนนี้ยังมีมีการสงบถ้าเปรียบเทียบกับประเทศที่เขามีสงคมเพราะประเทศเรายังมีความเมตตายังไม่ฆ่าฝันกังฆ่าฝันกันน้อยประจํานวยน้อย แต่พอเรินมในการฆ่าฟันมันทําการสงครามแล้วทีนี้ก็จะเดือดร้อนกันทั้งประเทศอยู่ยังไม่มีความสุขการขอเมตตาจําเป็นไหมครับว่าจะต้องบาเพ็ญบารมีเสียสละในงานเพื่อสังคมต่างๆประกอบทําสมาธิจึงจะเกิดธรรมาจักสุดวงตาเห็นธรรมได้ครับก็ถ้าเรายังยังสามารถทําทานบารมีได้แล้วก็ทําไป ถ้าเรามีเงินทองนะกินอย่ใช้ถ้าเก็บไว้ใช้ๆมันก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรถ้าเอาไปทําทานเราก็จะได้ทานบารามีเพราะว่าถ้าเรายังยึดติดกับทานอยู่มันก็จะทําให้เราขึ้นไปปฏิบัติทำขั้นสูงไม่ได้คือขัน้นขั้นเบิกขาขั้นสมาธิไม่ได้เพราะเรายังยึดติดอยู่กับทรัพย์สมบัติเงินทองหาเงินหาทองใช้เงินใช้ทองไปเรื่อยๆเราต้องหยุดกัน อาศัยเงินทองเป็นเครื่องมือหาความสุขแล้วก็เปลี่ยนวิธีหาความสุขมาเป็นการหาความสุขจากการปฏิบัติธรรมนั่งสมาธิแทนคุณมีโอครับคนที่ค่าตัวตายจิตของเขาจะไปอยู่ที่ไหนและเขาจะต้องทำเช่นนี้อีกไหมครับก็อยู่ในนรกการฆ่าตัวตายนี้ก็เป็นบาปที่พอๆกับการฆ่าพระมุตชาฆ่าพราอนานต์่าพ่อฆ่าม่ ว่าเราฆ่าสิ่งที่เรารักมากที่สุดก็คือร่างกายของเราเององั้นก็ จ, จะอยู่ในนรกน่าจะต้องทาแบบนี้ไปเรื่อยๆเป็นมันจะกลายเป็นนิสัยไ ป, ยไปทุกครัง้งเวลาที่มาเกิดเป็นมนุษย์ถ้ามีเจอปัญหาที่แก้ไม่ได้ก็แก้ด้วยการฆ่าตัวตายถ้าเราป่วยไม่ควรจะไปงานศพนี่จริงไหมครับไม่เกี่ยวกันนะงานศพก็เรื่องของงานศพป่วยก็ป่วย ถ้าป่วยแล้วไปไม่ได้ก็อย่าไปถ้าไปได้อยากจะไปก็ไปได้ไม่ไปก็ไม่มีใครเขบังคับเราแต่ไม่เกี่ยวกันว่าป่วยแล้วไปงานศพไม่ได้เพราะป่วยไม่ใช่คุณสราวุธครับตั้งใจทําบุญแต่ตั้งใจให้ได้ยอดเงินสูงขึ้นจึงนําเงินส่วนนี้ไปทําประกันชีวิตเช่นถ้าส่งเบีย้ยครบสี่แสนกว่าจะได้ทุนชีวิตหนึ่งล้านบาทและเมื่อตายใส่ชื่อผู้รับประโยชน์เป็นโรงพยาบาลเราได้บุญส่วนนี้ไหมครับ โว้านี่มันก็หมายมันรู้สึกว่าคือถ้าถ้าถ้าโงยาบายเขาได้ได้รับได้รับเงินส่วนนี้ก็เขามันก็เป็นบุญนึงแต่ว่าเราเราจะไม่ได้บุญนะเพราะอะไรเพราะเราไม่รู้ว่าเขาได้รับหรือเปล่าถ้าอยากจะให้เขาได้เงินก็เอาเงินไปให้เงินสดไปให้เขาเลยจะดีกว่าเพราะเวลาเราตายไปแล้วเราไม่สามารถรับรู้ได้ว่าเราได้ทําบุญหรือเปล่า ทาไม่ได้ทําบุญนะเพราะเวลาเราตายทํำได้่เฉพาะตอนที่เราเป็นยังมีชีวิตอยู่คือบุญจะเกิดขึ้นได้ต้องเกินหนึ่งคือการมีเจตนามีความตั้งใจสองมีการกระทําตามเจตนานันสามได้มีการกระทําที่สําเร็จผู้รับได้รับประโยชน์จากการกระทําของเราแล้วอันนี้นจะเกิดเป็นบุญขึ้นมาทันทีอาจจะเพียงแต่ ท, ทำเป็นพินัยกรรมหรือเป็น ข้อตอกลงการนี้โดยที่ผลบระยังไม่เกิดกับผู้รับไหนี้อันนี้ก็ยังไม่ถือว่าเป็นบุญการนอนสมาธิสามารถทําให้จิตใจเหมือนนั่งสมาธิได้ไหมครับไม่ได้หรอกนอนสมาธิมันจะหลับมั น, นก็เหมือนนอนหลับคุณ ว, วาชิลวิทครับ ภพภูมิสวรรค์และพรหมเมื่อหมดบุญแล้วจะต้องมาเกิดเป็นมนุษย์เท่านั้นใช่ไหมไปจบนรกก่อนครับยังไม่ไปนรกกอนเพราะว่า ท, ที่บุญที่ส่งไปเกิดในสวรรค์หมดกําลังลงมันก็จะมีบุญเหลืออยู่แต่บุญที่เหลืออยู่จะเท่าเท่ากับบาปบาปก็ไม่สามารถดึงใจให้ไป คุณก็ไม่สามารถเดิจใจเข้าไปสวรรค์ได้ช่วงนั้นก็จะมาเกิดเป็นมนุษย์เป็นช่วงที่บุญกับบาปไม่กําลังเท่ากันวันพรุ่งนี้ครบรอบหนึ่งปีที่คุณได้คุณที่อุทิศให้จิตครนะก็อยู่ที่สถามสามรของผู้ร่วมรับว่าเขาจะนอนรับอยู่หรือเปล่าถ้ า, ข า, ถาขเขาแล้วเขาก็จะได้ถ้าเขาไม่นอนรับขเขาก็จะไม่ได้ มูอีกหรือเปล่านะครับป้าจันไม่รู้สิครับมีใครแปลกหน้ามีใครเดินผ่านมาแรือเปล่าก็ครับแต่วันนั้นจะมีกับจิตตาสังขารต่างกันอย่างไรครับจิตกับจิตตาสังขาร ถ้าจะให้ไ ม, ไม่กล้าตอบมันรู้นะจิตก็คือผู้รู้ท่านรู้จนติสแตกล้าจะเป็นสังขารความคิดปุงแต่งที่มีในจิตก็ได้คือจิตนอกจากมีความรู้คามสามารถที่จะรู้แนละ้วมันก็ยังมีความสามารถที่จะคิดดนะ้วยบูรณางูร่ ง, งก็ไม่ว่าสังขารความคิดผุดขึ้นมาใหม่ๆรู้ไม่ค่อยทันช่วงหลังรู้ ก็แ ส, สดงว่าสติเรามีมากขึ้นนะถึงจะรู้ทันแต่ยังไม่พอต้องหยุดความคิดให้ได้ถ้าเรามีเป้าหมายที่จะฝึกสติไม่ให้คิดเมื่อมันคิดปั๊บเราก็ต้องหยุดความคิดให้ได้ปล่อยให้มันคิดคุณวิไลครับบอกว่าเลี้ยงหมาต้องซื้อยามาหยอดเห็บหมัดบาบไหมครับถ้าต้องซื้อยามาหยอดเพราะหมอบอกไม่งั้นจะเป็นโรคพยาติหัวใจได้ทําอย่างไรจรึงจะไม่บาบครับ ไม่บาก็อย่าไปทำให้มันตายอย่าทำให้เห็มันตายจับมันเอาแทนจะใช้ยายอย่างก็จับจับมันจับเห็ดวไปปล่อยเอาไปปล่อยที่อื่นฝึกทานอาหารมื้อเดียวครับแต่ยังดื่มกาแฟที่ททมีส่วนผสมของคอฟฟี่เมดหลังเที่ยงได้หรือไม่ครับคอฟฟี่เมดนี่ก็ถือว่าเป็นเหมือนนมเทียมก็ไม่ควรจะใช้คอฟฟี่เมด ก็ดื่มกาแฟดำไปตลอดกันคุณเพิ่มสัก์ครับสติคืออะไรอยู่ตรงไหนของเราเราควรให้สติดูกายหรือดูใจดีครับเบื้องต้นเราใช้การดูกายเป็นการฝึกสติสติก็คือการเลากรู้ให้อยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่งเช่นอยู่กับร่างกายเราก็คอยดูร่างกายพอเราดูร่างกายเราก็จะมีสติรู้ว่าร่างกายกำลังทำอะไร ถ้าเราไม่มีสติอยู่ของร่างกายเวลาร่างกายทำอะไรเราก็อาจจะไม่รู้ได้อาจจะเดินไปชนสิ่งนั้นชนสิ่งนี้ได้เพราใจเราไม่ได้อยู่ที่ร่างกายเราอาจจะเดินไปแต่ใจเราคิดถึงเรื่องนั้นเรื่อี้อยู่แล้วก็ไม่ได้สังเกตุว่าที่ข้างหน้าเรามีอะไรอยู่อาจจะเดินไปชนันนั้นเราไปฟังที่เอียดสิ่งนั้นสิ่งนี้ได้ทีนี้เรียว่าไม่มีสติถ้ามีสติอยู่ของร่างกายเมื่อร่างกายเคลื่อนไหวเราจะรู้ทันทีเมื่อร่างกายกำลังเคลื่อนไหว เราเดินไปทิศทางไหนจะไปเกี่อะไรหรือไม่ไปเจอใครไปชนอะไรหรือไม่ถ้ามีส ต, ติเราก็จะรู้สติแปลว่าการระลึกดูเพรา้นเบื้องต้นถ้าจะฝึกสติตให้ฝึกด้วยกายมันยังง่ายกว่าจิตเพราะจิตมันเปของยากเราไม่รู้จักจิตว่าเป็นยังไงฝึกดูจิตไม่ได้ถ้าถ้าฝึกสติเมันจะรู้จ้าสอนให้ฝึกดูที่ร่างกายกายะกตาสติต การนั่งสมาธิวันละห้านาทีทุกวันจะเห็นผลอย่างไรครับก็ไม่รู้หล่ะก็เรานั่งอยู่เนี่ยมันมันที่สติว่ามีมากมีน้อยคนที่มีสติมากนั่งห้านาทีจิตก็รวมได้ก็มีแต่แต่ยากแต่น้อยว่าคนส่วนใหญ่นี่นั่งเป็นชั่วโมงก็ยังไม่สงบแล้วนั่งห้านาทีมันจะได้อะไรก็ยไม่ได้ มันขึ้นอยู่กับสติของแต่ละคนดนะ้มันก็ต้อ ง, อ ง, อ ง, อ ง, งนั่งดูเองนะตอนนี้ต้อ ง, องหาคำตอบด้วยตนเองด้วยการปฏิบัติต้องพิสูจน์ด้วยตนเองคุณวิไลครับสอบถามว่าเราจะเลือกเกิดกับพ่อแม่คนไหนเราสามารถเลือกได้หรือไม่ครับคงจะยากแต่ก็อาจจะไม่ใช่เป็นสิ็งที่สวิสยัยแต่มัน เพราะว่ามันมั น, ม, นมันเป็นเรื่องของที่สิ่งที่มีเหตุมีปัจจัยหลายอย่างด้วยกันที่จะทําให้เรามาเกิดแล้วมาเกิดแล้วจะไปเลือกคนทัแบบนี้ได้มันก็มันสิ่งที่ไม่รู้จะตอบอยางไงดีคิดว่าคงจะยากไม่เหมือนกับเลือกซื้อร้ยนตเนี่ยพอไปร่านล่างขายร้ยนตั่นเป็นเป็นเลือกดูว่ามีคันไหนบ้างแตนี้พ่อแม่คนของเราตอนนี้อยู่ที่เนี่ยถ้าเขาตายไปแล้วก็ไม่รู้เขาจะอยู่ที่ไหน เราจะให้เขาบังเป็นพ่อแม่แเราก็ต้องรองให้เขาเกิดก่อนเราอย่างนี้วะให้เขาแต่งงานกันอีกนั่นมันสิ่งที่มันมันงาน่ายหรือเปล่าขอเรียนสอบถามพระอาจารย์ผู้เริ่มฝึกธรรมะเพื่อให้ใจเป็นอิสระต้องเริ่มปฏิบัติจากตรงไหนครับ <c oughs> ก็ฝึกสติไงให้เจริญสติฝึกสติพุโทโธพุโทโอเ ล, ลยอยูแวร่างกายดูการเคลื่ไวของร่างกายทั้งวัน ระหว่างวันและไม่ว่าเราจะทําอะไรให้มีสติอยู่กับการเคลื่อนไหวการกระทําของร่างกายก็ได้หรือให้มีสติอยูอ่กับการิกรรมพุโทโธก็ได้เพื่อควบคุมความคิดระงับความคิดในเบื้องต้นถ้าเรามีสติพอแล้วเวลา น, นั่งสมาธิเราก็จะสามารถหยุดความคิดได้หยุดความคิดจิตก็จะเข้าสู่ความสงบได้คุณต้องครับ ถ้าเอาอาหารที่เป็นเส้นให้คนตายที่นอนในโลงอันนี้ถือว่าไม่ควรใช่ไหมครับหรือเป็นความเชื่อหรือเป็นข้อห้ามเรื่องอาหารที่เป็นเส้นเส้นไม่ควรเข้ามาในงานศพครับคือคนตายกินไม่ได้เม่ถ้ามันจะให้อาหารแบบนั้นก็ไม่ไม่เกิดประโยชน์ะไรอยากทราบว่าสวดมนต์ได้แค่อิติปิโสครับจะได้บุญไหมครับถ่าจริงยังไม่สงบก็ยังไม่ได้บุญ แต่้องรู้สึกว่าจิตสนงกในความสุขนะถึงจะได้บุญเพราะบุญแปลว่าความสุดใจนั่นเองคุณนัดว่ะไรพันธ์ครับที่ว่าพระพุทธเจ้าประสูตยสามารถเดินได้พระอาจารย์มีความคิดเห็นอย่างไรครับก็เป็นได้เพราะว่าพลังจิตของแต่ละคนนี้มันไม่เหมือนกันจิตบางคนมีพลังมากถึงแม้จะร่างกายจะเป็นทานลงล้ก็ตามแต่จิตมันไม่ใช่เป็นทางมันไม่ได้เป็นทานลงล้ม มันจิต ท, ที่มีอินทรีย์ที่แก่กล้ามันปีละห้าเนี่มันก็สามารถสั่งให้นางกายเคลื่นนอนไหวได้แต่น้ำกายจะตอบสนองได้ไม่นานเพราะมันน้ำกายมันยังไม่ได้รับการฝึกฝนอนรมมันก็อาจจะเดินตาคำสั่งของจิตได้ไม่กี่ก้าวแล้วก็ล้มลงไปก็ได้เป็นไปได้เรื่องของพลังจิตเนี่ยผู้สั่งการให้่างกายเคลื่นนอนไหว เด็กางความเนเด็กกัชิง น, นี้ักนะสามารถเล่นบันเตียได้เลยนะอายุไม่กี่ขวบเล่นเล่นเปียโ น, โนเล่นไวโอลินไดนะ้เพราะอะไรพเพราะพลังจิตเขาสูงสามารถสั่งให้ร่างกายทำอะไรต่างๆที่เด็กทั่วไปไม่สามารถทำได้ปีชงคือเรื่องจริงไหมครับไม่รู้อันนี้เราไม่ได้ศึกษา คุณซีฟครับถ้ามีคนที่เราไม่ชอบให้ของกับเราแต่เรารับของที่เขาให้และเอาไปทิ้งหรือให้คนอื่นต่อเราไม่ได้เต็มใจที่อยากรับอย่างนี้คนที่ให้เราเขาได้บุญที่เขาให้เราไหมครับได้เขาให้เราะการให้นี่ก็เป็นการทำบุญทำทานอย่างพ้าเรารับก็แสดงว่าเราเฉลามเฉลองศรัทธาของเขาให้เขาได้บุญไปส่วนของที่เราได้มาเราจะไปทาอย่างไรก็เป็นสิทธิของเรา แต่ถ้าเราจะาไปทิ้งหร่อจะให้คนอื่นก็ไม่ควรจะให้ต่อหน้าเขาก็รจะอาจจะทําให้เขาเสียใจได้ราะงคนมีเจตนาอยากจะให้เราเราก็รับไว้ลวหลังจากนั้นถ้าเรามันได้อยู่ต่อหน้าเขาแล้วเราอยากจะให้ใครก็ให้ไปนะแต่ถ้าเราให้ น, น้องไม่คงจะเก็บไว้คงจะทิ้งเราก็ทิ้งได้ถ้าเราจะช่วยเหลือคนที่ฆ่าตัวตายจะช่วยอย่างไรได้บ้างครับ เราตายแล้วก็ช่วยไมได้แล้วต้องช่วยตอนก่อนที่ฆ่าตัวตายชวยสอนให้วก็ทําจิตให้สงบฝังให้เขาเห็นเท่ว่าปัญหาไม่ได้อยู่ที่ร่างกายนัญหอยู่ที่ความอยากอยากได้นูน่อยากได้นี่พอไม่ได้ดังใจอยากก็เลยเศร้าใจก็อยากจะฆ่าตัวตายนี่มันมันหยุดความอยากมาฆ่าวความอยากดีกว่าฆ่าวความอยากอยากให้อยากให้แฟนรักเราแต่เขาไม่รักเราก็เสียใจฆ่าตัวตาย ก็อย่าไปอยากให้เขารักเราสิเขาไม่รักเราก็ก็ไม่เป็นไรเร า, เราถ้าเราไม่มีความอยากให้เขารักเราแล้วเราก็ไม่เดือดร้อนแเราก็อยู่ของเราต่อไปไนดะ้นั้นแก้ปัญหาให้ถูกจุดปัญหาความทุกข์ใจเกิดจากความอยากของเราไม่ใช่เกิดจากร่างกายคุณปรางครับในช่วงที่หนูฝึกพิจนากายแยกจิตส่วนใหญ่จะเป็นจากภาพจํามาโดยตลอด หนูเคยเข้าใจว่าหากเราแยกทั้งสองส่วนออกจากกันได้แล้วจะเหมือนหนังที่เราเคยเห็นคือจิตเห็นกายเราเดินเคลื่อนไหวหนูยังคงฝึกปฏิบัติเรื่อยๆตามเรียนกับท่านพระอาจารย์โดยเอาความทุกข์ในกิเลสของตัวเองและของคนรอบข้างมาเป็นตัวเจริญปัญญาบ่อยๆต่อมาเมื่อเช้านี้หนูมองและเข้าใจชัดเจนว่าการแยกกายและจิตคือหนูมองเห็นเท่าทันความคิดตัวเองอารมณ์และกิเลสของเราต่อสิ่งที่กระตุ้นเข้ามาโดยกดไปรัก ก็ยังก็ต้องพิจารณาปล่อยวางร่างกายให้ได้ในการเห็นว่าเป็นเป็นอนิจจังทุกขังอนั้ตาไม่ใช่ตัวเราเป็นเพลงยินนัน้นไฟเป็นมืนตุ๊กตาตัวหนึ่งที่เราได้มาครอบครองเป็นสมบัติชั่วคราวทำฟาร์มเลี้ยงกุ้งครับจะทํำยังไงดีในงานสัมมนาชีวะระบุว่าไม่ให้ค้าขายสัตว์แต่ครอบครัวต้องทํางานหาเงินอยู่ครับ ก็เปลี่ยนอาชีพเลยอาชีพที่ข้าศัตรตูเกี่ยวข้องกับชีวิตชาวพุ่ม้ายังเปลี่ยนไม่ได้ก็ต้องทนทํามาไปก่อนก็ต้องรับนับวิบากของบาปที่เราทําไปคุณบิวครับผมลองย้อนดูข่าวเมื่อปีที่แล้วเรื่องที่ลูกชายป่วยเป็นออทิสติกเอามีดแทงพ่อตายเพราะทะเลาะกับพ่อเป็นเรื่องของเงินซื้อหุ้นบริษัทรถเมย ผมรู้ว่าลูกชายคนนี้ทําอนันตริยกรรมข้อปิดตุค่าแต่สติสัมปชัญญะของเขาไม่สมบูรณ์เพราะป่วยเป็นออทิสติกอยากทราบว่าผลกรรมที่เขาได้รับจะหนักเท่ากับคนที่สติสัมปชัญญะสมบูรณ์แล้วทําอนันตริยกรรมหรือเปล่าครับก็อ ย, อยู่เจตนามันมีมเจตนาที่จะทําทถึงจะมีสติไม่มีสติมันก็นมันก็เหมือนกับคนที่ไม่มมีสติแล้วไม่มีสติสตบาบมันอยู่ที่เจตนาและอยู่การกระทำ ถ้าทำหนไม่มีมสติไม่รู่าเป็ใครก็จะไม่ไม่ถือว่าเป็นนันตเลียกอ่อนหน้าเป็นทุกข์เพราะให้เขายืมเงินแล้วไม่จ่ายหนูทํากรรมอะไรไว้ครับของกรรมว่าเกิด ไ, ไปให้เขาไปให้เขายืมเงินนี่ส <c oughs> ิถ้าอยาบถ้าถ้าไม่ไปยืมเงินให้เขายืมเงินเราก็จะไม่ทุกข์ใช่ไหมเ <c oughs> นตุผลของเร า, าคือเราโง่เราไปปล่อยให้เขาให้เขายืมเงินเราไปได้เราไม่ฉลา <c oughs> คุณบิ๊กครับบุญที่เป็นแก่นของการให้ทานคือการทำลายตัวโลภะส่วนบุญปลื้มเหลือคือได้รับในส่งตอบแทนคืนมาออนี่คอมเมนต์บอกว่าอย่าไปสนใจในส่งปลืมเหือนีออ้สนใจแก่นดีกว่าความโลภในใจเราลดลงอย่างนี้ถูกนะครับลดความล ด, ล ด, ล, ดลดความตณีลดความผูกพันในทรัพย์สมบัติเช่าเขาขงานทอาถ้าเราไม่มีความยึดติดแล้วเวลามันพัด พ, พาจากกันไปเราก็จะไม่ทุกข์ ไม่อยากไปเกิดในอบายภูมิครับจะต้องปฏิบัติอย่างไรครับรักษาสีหน้ให้ดีอย่าเสกอบายมุข่เล่นการพนันอย่าเที่ยวอย่าเกียดข้านอย่าโคบคนที่ชอบอบายมุขพวก น, นี้มันก็จะทำให้เราไม่ไม่ไม่ได้ทำบาปได้ง่ายนักตาก็ต้องไม่ทำบาปด้วยต้องรักษาสีหน้ให้ได้อบา ย, ยมุขนี้เป็นผู้สนับสนุนให้เราไป ไปทําบาปได้ง่ายถ้าเราไม่มีายาใบอย่างการจะทําบาปจนยากขึ้นคุณวานิดาครับมีหน้าที่เกี่ยวข้องกับการกัดตัดปลวกพ่นยาฆ่ายุงไล่นกวางใจอย่างไรไม่ให้เป็นบาปหนักครับเมันไม่ต้องวางใจม่นิยมรับมันเป็นบาปนินยมรับแล้วก็ถึงหน้าที่จะต้องรับผลบาปก็ต้องก็ต้รับไป ถ้าไม่อยากจะรับผลบาปก็อย่าไปทำบาปเท่านั้นเองการซื้อใช้เครื่องประดับเพื่อการออมเงินทำให้เราหลงในการประดับไหมครับก็อยู่ที่เร า, เ, ราเหตุหของเหตุการที่เราซื้อของอันนี้มาเพื่ออะไรถ้าเราซื้อมาเพราะเราหลงลเรารักอราชอบมันก็เป็นก็มันก็เป็นความหลงแต่เราคิดว่าซื้อมาเพื่อเป็นเป็นการกระจายยความเสี่ยงของทรัพย์สินที่เราไว้ ถ้าฝากไว้ธนาคารอย่างเดียวเดีวเกิดธนาคารล้มก็จะหมดก็เปลี่ยนมาซื้ออัญย่าบมันดีมากก็ได้เป็นการการะจายความเสียย่ยงอยู่ที่เหตุผลยองการการะทำาองเราแต่ถ้าเราชอบการสวยงามของอันย่างันมีเห็นแล้วก็อยากได้อยากซื้อมันเราซื้อมาใส่นั่นก็แสดงว่าเราหลงคุณจันรฉายครับขั้นตอนวิธีการเดินปัญญาในการปฏิบัติธรรมอย่างไรครับ ก็พิจารณาทุกอย่างให้เห็นว่ามันเป็นทุกข์สุดยอของปัญญาคือเห็นว่าทุกอย่างในโลกนี้เป็นทุกข์มีลาบก็เป็นทุกข์มียศก็เป็นทุกข์มีสรรเสริญก็เป็นทุกข์ทุกข์เพราะอะไรเพราะไม่เที่ยงได้ลาบมาวันใดวันหนึ่งก็จะเสื่อมลาบไปได้ได้ยศมาวันใดวันหนึ่งก็เสื่อมยศไปได้ได้สรรเสริญมาวันใดวันหนึ่งก็กลายเป็นเดนทาก็ได้ ต้องพิจารณาว่าทุกอย่างเป็นทุกข์ทุกข์เพราะไมนเที่ยงทุกข์เพราะเราไม่สามารถไปกําหนดไปบังคับให้มันเที่ยงได้นถ้าเราเห็นว่าเป็นทุกข์เราก็จะไม่อยากได้อะไรนี่คือปัญญาพอไม่อยากได้แล้วใจเราก็จะสงบเย็นสบายไม่เดือดร้อนอยู่เฉยๆได้ที่ทุกวันนี้พวกเราอยู่เฉยๆไม่ได้เพราะความอยากนั่นแหละอยากนี่นู่นอย่างนั่นนี่ก็ต้องไปหามันอยากดูนั่นอยากฟังนี่ก็ต้องไปหา แต่ถ้าไม่มีความอยากแล้วเราก็ อ, อยู่เฉยๆใช่ไหมไม่เดือดร้อนขอธรรมะเพื่อต่อสู้ความขี้เกียจให้มีความขยันขึ้นตื่นเช้ามาทําความเพียรครับพระอาจารย์ต้องมองว่าการตทงความเพียรนี้เป็นเป็นเหตุที่ทําให้เกิดผลที่เราต้องการบรรพจนจากความชุกข์ได้ด้วยความเพียรถ้าเราไม่เพียรเราไม่ปฏิบัติความทุกข์ที่มีในใจเราก็จะไม่มีวัน คุณวรยุทธครับการตามรู้ลมหายใจเพื่อจะเดินสติรักษาได้บ้างหลุดบ้างแต่รู้ตัวแม้จะหลุดจะถือว่าถูกทางแล้วหรือไม่ครับนั่นดูลมหายใจนี่คนรจะดูเฉพาะโช่วงที่เรานั่งมันมันจะดีที่สุดเพราะถ้าช่วงที่เราไม่นั่งนี่ลมหายใจมันจะของละเอีย ด, ดูได้ยากให้ดูการเคลื่อนไหวของร่างกายจะง่ายกว่าเราจะไม่ค่อยหลุด คนที่คนที่ตายถ้าไม่เรียกให้เขามาดวงจิตเขาจะมาหาเราถูกไหมครับเรียกไม่เรียกครมันอยู่อยู่ที่เขาจะมาแล้วไม่มาไม่ได้อยู่ที่เราเรียกแล้วไม่เรียกแล้วก็จะมาไม่ไม่ไม่เรียกเขาเขาก็มาครับคุณซีครับถ้าคนที่ให้เขาให้แล้วเขาหวังผลประโยชน์ไม่มีเจตนาจะให้จริงๆให้แบบหวังว่าต้องได้ผลตอบแทนคืนมาแบบนี้เขาได้บุญที่เขาให้หรือเปล่าครับ ไม่ได้เราก็เป็นเหมือนกับการซื้อขายทําธุรกิจแลกเปลี่ยนกันเป็นการแลกเปลี่ยนกันคุณนนทิรัตครับคนที่มีเป้าหมายเป็นพระโพธิสัตว์เขาเหล่านั้นจะเกิดมาสร้างบา ร, รมีโปรดสัตว์ไปจนกว่าสัตว์จะไปนิพพานจนหมดแบบนี้มีในพระพุทธศาสนาหรือไม่ครับอันนี้เป็นความเชื่อว่าการจะสร้างบา ร, รมีนต้องต้องช่วยเหลือผู้อื่นก่อนก่อนที่จะมาช่วยเหลือตอนเอง เช่นเมตตาบารมีมันต้องให้ทำให้คนอื่นก็มีความสุขก่อนแต่มันก็อาจจะเป็นการการคิดที่มันมันมันเยเถิดไปการสร้างบารมีก็เพื่อทาให้ใจเรามีความสุขจากการทำความดีทำทานเมตตาบาลมีต้องรู้ที่เป้าหมายของการสร้างบาลมีเพื่อสร้างให้ยิด ม, มีความสุข ให้เรากำจัดความทุกข์ต่างๆที่อยู่ในใจให้หมดสิ่งไปได้คุณมีครับตอนนี้ยังไม่มีโอกาสได้ไปปฏิบัติธรรมที่อื่นนอกจากบ้านอยากทำสมาธิทำอย่างไรจึงจะขึ้นชื่อว่าเป็นศิษย์มีครูบาอาจารย์ครับก็ทำงานรับสอนครูบาอาจารย์ให้สอนให้เราปฏิบัติอย่างไงแล้วก็ปฏิบัติตามท่านท่านบอกให้เราฝึกสติแล้วก็ฝึกสติ เขาบอกให้เรานั่งสมาธิแล้วก็นั่งสมาธิอย่างนี้ก็ถือว่าเสร็จนี่อาจารย์ถ้าเราไปปฏิบัติตามมหายานหรือนิกายอื่นจะได้ผลเหมือนกันไหมครับก็ล <c oughs> ่าสุดวิธีปฏิบัติมันเหมือนกันหรือเปล่าถ้าวิธีปฏิบัติเหมือนกันผลมันก็เหมือนกันถ้าวิธีปฏิบัติไม่เหมือนกันผลมันก็ไม่เหมือนกัน <c oughs> คุณอภิเดชครับ การน้ำมัตสการพระอาจารย์กกรครับการนั่งเจริญสมาธิแล้วนิ่งเบาร่างกายสุขที่ไม่เคยพบมาก่อนโยมต้องถอยเพื่อไม่ยึดในสุขแล้วจะต้องไปปฏิบัติต่อไปอย่างไรคํานี้ดีมากครับความอยากทําให้เกิดทุกข์ครับ อ, อตอนที่เราฝึกสมาธินี่เราต้องการความสุขจากสมาธิให้น้อนไป่ต้องไปถอยแล้วให้มันสุขมากๆยิ่งนั่งนานเท่าไรยิ่งสุขด้นานเท่าไรยิ่งดีน มันจะทำให้รา ม, มีกำลังที่จะไปเลิกความอยากหาความสุขจากการมาคุณท่าได้อันนี้เป้าหมายแรกของการฝึกสมาธิเพื่อให้เรามีความสุขทดแทนเมื่อก่อนเราเคยหาความสุขจากการไปเที่ยวไปกินไมปดื่มอะไรพอเรามาฝึกสมาธิเรามีความสุขจากการนั่งสมาธิเราก็เลิกเที่ยวเลิกินเลิกดื่มได้อันนี้เราก็จะละการมาตัณหาได้ แต่พอเราละการมาตรฐานได้แล้วทีนี้การเข้าสมาธิก็หมดหน้าที่ไปเราก็อย่าไปติดการเข้าสมาธิเราต้องฝึกอยู่แบบไม่ต้องเข้าสมาธิเพื่อให้ใจเรามีความสุขถ้าเรามีความอยากใจเราจะไม่มีความสุขถ้าเรามีความอยากเข้าสมาธิเราก็ต้องหยุดความอยากเข้าสมาธินั้นต่อไปไม่ให้ติดกับความสุขของสมาธิแต่เบื้องต้นต้องอาศัยความสุขของสมาธิเป็นเครื่องมือ ในการที่จะเป็นความสุขทดแทนเพื่อเราจะไดห้หาความสุขจากรูปเสียงกินรสพอเราเลิกได้แล้วทีเรามาเลิกการการหาความสุขจากสมาธิพราความสุขของสมาธิก็ไม่เที่ยงเหมือนกันเนของเชืเ่อมต่อนั่งสมาธิพุทโธก่อนนอนช่วยอะไรได้บ้างครับมันก็การฝึกสมาธิเพื่อทําใจให้สงบตัวหนึ่ง คุณวีละชัยครับถ้าต้องทํางานกับคนที่เขาไม่ชอบเราจะวางใจงยังไงดีครับและมีวิธีที่จะอุทิศบุญให้เพื่อนที่จะได้ทํางานร่วมกันอย่างมีความสุขไหมครับคือเราต้องยอมรับว่าเราอยู่ในะโลกที่มีคนที่ที่เราชอบและไม่ชอบแต่เราสามารถอยู่กับเขาได้ถ้าเรายอมรับเขาเขาเป็นอย่างนี้ก็ยอมรับเขาอย่าไปนังเกียดเขาเราก็จะอยู่กับเขาได้ แต่ถ้าเราเป็นรังเกียจเขาแล้วก็จะอยู่เขายากยังไงเราฝึกสอนใจเราให้อย่าเป็นรังเกียจกับคนที่เราไม่ชอบให้รับรู้ว่าก็เป็นอย่างนี้แต่เราก็อยู่ด้วยร่วมร่วมกันได้เขาจะทําอะไรดีเชื่อกาเรื่องของเขาไปเราก็อยู่ทําหน้าที่ของเราไปอย่าไปก้าวไก่อย่าไปอยากให้เขาเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้เราก็จะอยู่เขาได้ส่วนการอุทิศบุญนี้อุทิศให้คนตายไม่ได้ให้คนเป็นไม่ได้ บุญที่อุทิศให้คนตายเพราะว่าคนตายนี่เขาต้องอาศัยบุญอุทิศถ้าคนเป็นเราก็ให้หุญเขาด้วยการให้ให้สร้างความสุขให้กับเขาอย่างเช่นมีของออกมาฝากเขาอย่างนี้ให้ความสุขกับเขาถ้าเราให้ความสุขเขาเขาอาจจะมาชอบเรามามารักเราก็ได้ตอนนี้ดูแลเตี่ยล้มสมองบวมติดเตียงค่อนข้างเครียดพยายามจะไม่เครียดแล้ว ยังทําไม่ได้พอมีแนวทางแนะนํำไหมครับก็ต้องมองความจริงนะว่าเราไปทําอะไรได้หรือเปล่าเราเป็นอย่างนี้ที่เราเครียดเพราะเราอยากให้เขาไม่เป็นอย่างนี้เท่านั้นเองดันั้นเราก็มาแก้ที่ใจเราอ ย, าอยา่างปอะหยัดซิเพราะเป็นอย่างนี้ก็ปล่อยให้มันเป็นอย่างนี้ไปเยื่อยเรือ่องนอกความเป็นจริงก็ดูแลกันไปตามสภ า, าแต่จะไปอยากให้เขาไม่เป็นอย่างนี้มันก็ยิ่งทําให้เราเครียดใหญ่ คุณแพตครับเมื่อเราตายไปแล้วจิตไม่สามารถจะจดจำสิ่งที่เกิดในอดีตได้แล้วเราจะทราบได้อย่างไรว่าเรากลับมาเกิดหรือไม่ครับเราทราบหรือเปล่าเรากลับมาเกิดใหม่ส่วนใหญ่ก็ไม่ทราบเนืนอกจากคนที่มีความจำดีเราเลึกชาติได้เขาถึะเขาถึงจะจำได้ว่าชาติก่อนเขาเคยเป็นอะไรแส่วนใหญ่แล้วก็จะไม่มีความความจที่มีที่สามารถระลึกข้ามชาติได้ ตั้งใจจะนําอาหารไปใส่บาตรครับแต่พบคนไม่มีอาหารทานแล้วเราให้เขาไปประสงสารอย่างนี้บาปไหมครับไม่บาปก็ได้บุญเท่ากันจะไปใส่บาตรพระเราเห็นขอทานข้างถนนสงสารเขาก็เลยเอาอาหารที่จะไปใส่บาตรพรให้ขอทานไปแทนก็ได้บุญเท่ากันมันทานเหมือนกันเป็นการให้เหมือนกันคุณอัมพรครับนกที่มา ถามคำถามสามข้อสองข้อนะครับนกมาทํารังบนหลังคาเราเอาไม้เขี่ยออกเพราะนกขี้ลดสิ่งของเสียหายบาปไหมครับมันก็เป็นการไปเป็นการไปเบียดเบียนเขาหรือเปล่ปาทำในบ้านอยู่แล้วเราก็เราก็ไปได้เขาอย่างนี้เต่ว่าบาปก็ได้แต่บางทีเราอยู่ในรั้วบาทีถ้าเขามาสร้างบ้านในที่ของเราเราก็ต้องขับไล่เข้าไปใช่ไหม มัาก็ต้องมีกรอบมีเขตเหมือนกันบางทีต้องยอมทำบาปเพื่อเพื่อให้เขารู้ว่าการกระทาของเขาก็ไม่ถูกเหมือนกันไปเอาไม้เขี่ยลังนกไขนกหล่นมาแตกแต่เราไม่รู้ว่ามีใข่บาปไหมครับถ้าเราไม่มีเจตนาที่จะไปทำให้ไข่แตกก็ไม่บาปนะเวลากรวดน้ำจากอุทิศบุญเป็นสามส่วนครับ ส่วนที่หนึ่งให้เทพชั้นสูงส่วนที่สองให้บิดามารดาส่วนที่สามให้สัมเพวสีแบบนี้ถูกนะครับอปกติเขาจะอุทิศให้คนใดคนหนึ่งเท่านั้นใการทําบุญเพราะบุญมีน้อยมากเราไปแบบให้คนต้องหลายคนคนที่ไดรับก็ได้คนละนิดคนละหน่อยเการทาบุญมักจะอุทิศจอดจองกับบุคคลนั้นบุคคลนี้มากกว่าบุคคลนั้นุคนนี้จะได้รับบุญอย่างเต็มที่ออกมา แต่จะจะแบ่งกี่ให้กี่คอก็ได้ถ้าไม่มีข้อห้ามอะไรอแต่เป็นฟังแล้วมันก็เหมือนกับเอาน้ำพริกไปละลายน้ำส่วนน้ำพริกไปใส่ถ้วยแล้วก็ดีกว่ามันจะได้มีรสมีชาติได้กินเอาไปใส่หม้อแล้วใส่ใส่น้ำไปเต็มหม้อน้ำพริกก็เท่าเดิมที่มันถ้าจะไม่ได้รสชาติของน้ำพริกเลยคุณอุศรีครับสามีภรรยา ถ้าหนูหยิบเงินสามีมาใช้โดยไม่บอกผิดศีลข้อสองไหมครับก็เราต่าจะตกลงกันว่าอย่างไงก่อนนยถ้าถือว่าเป็นสมบัติร่วมกันเป็นของของทั้งสองคนก็ไม่ต้องขออนุญาตใช่ไหมก็ไปของของเราอย่าง น, นีแต่ถ้าเป็นของของเขาของเรายากกันชัดเจนนะถ้าเรารู้เป็นของเขาเราก็ต้องขออนุญาต ก, ก, ก่อน เหือนถึงญาติที่ตายไปแล้วเพราะเขาอยากให้เราทําบุญให้เขาใช่ไหมครับไม่รู้เหมือนกันนะตนนี้ต้องให้เขาตอนต้องมาบอกเราโดยตรงว่าอยากจะให้เชิญทำบุญให้เขาหน่อยคุณพิศครับข อ, อการรายงานเกิดที่ทํางานให้งานเยอะมากอาทิตย์ที่เห็นอารมณ์โกผิดหวังและความอยากตัวเองชัดเจนเริ่มเข้าใจว่าเขา เราไม่ต้องเข้าใจเขาเลยครับเาครับอชอบกังวลนั่งสมาธิจะช่วยได้ไหมครับหรือจะทำอย่างไรได้ขอคำแนะนำครับได้เวลาเข้าสมาธิจิตก็จะหายกังวลชั่วคราวเพราะหยุดคิดเพราหยุดคิดเรื่องต่างๆที่ก็จากความคิดที่ทำให้เรากังวลก็หายไปความกังวลก็หายไปแต่มันจะหายแบบชั่วคราว พอเราออกจากสมาธิมาพอเรากลับไปขิดนนู่นต่ตางๆมันก็จะกลายเป็กังวลนัยถ้าอยากจะให้ความกังวลหายไปอย่างเด็ดขาดก็ต้องยอมรับความจริงว่าเราอยู่ในโนลมที่ไม่มีอะไรแน่นอนอะไรจะเกิดก็เกิดอะไรจะดับก็ดับเราต้องยอมรับความจริงให้ได้แล้วเราก็จะหายกังวลคุณนันทพรครับอาณาปานาสติต้องภาวนาพุทโธด้วยไหมครับไม่ต้อง อ น, นามปานั้นว่า ล, ลมเข้าหลมออกถ้าเราไม่สติรู้อยู่กับลมเข้าหลมออกอย่างเดียวแต่บางคนก็อยากจะใช้สองอย่างควบคู่กันเอาทั้งอา น, นามปาณสติเอาทั้งพุทธานสติมาร่วมกันก็มันคิดว่ามันจะได้ผลดีกว่าอันนี้ก็แล้วแต่ะะ แ, ตแต่ละคนกักนทำบุญกับพระอริยะกับสมมุติสองบุญได้เท่ากันไหมครับบุญที่เกิดจากการให้นี้เท่ากัน แต่บุญที่เกิดจากการได้ธรรมะนี้จะไม่เท่ากันเพราะบาลีมีธรรมะมากกว่พระสมมุติสมมุติจิตสมเมนทำบุญกับดอ็กบดอกเตอร์กับ ท, าทําบุญทีาทาท่จบม .6 น, นี่เราจะได้ได้ความรู้จากใครมากกว่ากันะคุยกับด็อกเตอร์ก็จะได้ความรู้ระดับด็อกเตอร์อย่างนี้คุยกับคนที่จบม .6 ก็จะได้ความรู้ระดับม .6 อันนี้นจะต่างกันแต่บุญที่ให้จากการเสียสละ เ ท, าาา ท, าาท่ากันถ้าเราให้เขาร้อยบาทให้พระภาริยาเดียให้พระุทธเรอยบาทบุญก็เท่ากันอาจารย์ครับและอย่างความสุขใจที่เกิดขึ้นเวลาได้ทำบุญกับพระที่เราที่เราเข้าใจว่าท่านเป็นพระภาริยานี้ความสุขใจมันรู้สึกมากกว่าเราได้บุญนะอันนี้มันเป็นเรื่องของของปิติของอารมณ์ที่มันถามมามัน ซึ่งอาจจะต่างถ้าเราทําบุญกับสิ่งที่เราชอบบุคคลที่เราชอบเราก็จะรู้ความรู้สึกว่ามีมีความสุขมากกว่าแต่ความอิ่มใจที่จะได้จากการเสียสละนี่มันเท่ากันชนะนความตนมีการจชนะความโลภความอยากมันเท่ากันแต่ไม่อาจจะมีของแถมคือปิติอันนี้ถ้าเราเล่นทาบุญกับถ้าเราชอบทําบุญชนิดที่เราชอบทําแล้วมันจะมีความสุข คนบางคนต้อเลือกทำไนบางคนก็ทํากับสุนัขก็มีบางคนก็ทํากับโรงพยาบาลบางคนก็ทําะไรกับโรงเรียนอันนี้มันเรื่องของความชอบทํานันจะมีความสนใจมากขึ้นเหมือนกับกินอาหารนะกินอาหารที่เราชอบกับกินอาหารที่เราไม่ชอบอย่างนันก็อิ่มเหมือนกันใช่ไหมแต่ความสุขมันไม่เท่ากันความยินดีความพอใจมันไม่เท่ากันต้องให้มันต่างกัน คุณวรทินครับผมเป็นผู้บริหารชอบคิดปรุงแต่งกังวลในเหตุการณ์ที่ยังไม่เกิดขึ้นในอนาคตเรื่องการบริหารงานในการแก้ปัญหาเราควรทําอย่างไรครับคือเราก็เพิ่มคิดเผื่อไว้ได้คิดว่าอะไรก็จะเกิดขึ้นได้ฝนก็อาจจะตกก็ได้น้ำก็อาจจะท่วมก็ได้เราคิดว่าถ้าเราเพื่มที่เราจะได้มีมีวิธีการป้องกันแะรับกับเหตุการณ์การคิดแบบนี้คิดได้แต่คิดแล้วไม่อยากให้มันเกิดนี่ไม่ได้ หาคินน้ำไ ม, ไม่อยากให้มันเกิดพราะว่าจะทำาหบาเครียนขึ้นมาปวดน้ำถ้าอุทิศบุญให้รวมหมดทุกชั้นนรกเขาจะได้บุญไหมเ <c oughs> มื่อชั้นอื่นเขามีบา ร, รมีที่มากกว่าครับไม่ได้อกไปมีชั้นเดียวเท่านั้นที่มารับได้กับพวกเปเเท่านั้คุณวรรณพาครับสามีชอบซื้อลอตเตอรี่ลอตเตอรี่บอกสงสารคนขายภรรยาต่อว่า บาปไหมครับแต่ว่าสานี้ไม่น่าจะบาปนะก็เพียงแต่เป็นการพูดบอกวความรู้สึกให้เขาทราบเท่านั้นองว่าเราเราไม่ชอบอย่างนี้อย่างนี้ไม่ถือว่าเป็นการกระทำบาปอาจารย์คิดอย่างไรกับการจําหน่ายหนังสือธรรมะแล้วบอกว่าชีวิตจะดีขึ้นครับเื็นหนังสือธรรมะโดยปกติมักจะแจกเป็นธรรมทานกัน เพราะธ ร, รมะของพระพุทธเจ้าเนี่ยท่านไม่ดคิดเงินคิดทองกับใครงนนานแสดงธัรมของพระพุทธเจ้าเนี่ยไม่ได้เก็บเงนเก็บทองแต่ถ้าเราธรามะพระพุทธเจ้ามาจ่ายมาจำหน่ายถ้าเราใช้เป็นเครื่องมือหากินของเราไปนั่นเองซึ่งก็เป็นสิ่งที่เ่ากลัวคุณสุกี้ครับ หากเรามีความรู้สึกเบื่อหน่ายว่าสิ่งที่ทำอยู่ทั้งหลายต่างไม่มีอยู่จริงอารมณ์ที่เกิดขึ้นนี้เกิดจากจิตที่เราได้ฝึกปฏิบัติมาไหมครับมันเป็นปัญญาที่เกิดหรืออารมณ์ปุกแต่งหลอกเราเราจะทราบได้อย่างไรครับเดี๋ยวขออาานะุญาตเพราะความคํ า, คททาปัญญาหน่ อ, โอยโยมหลายเรื่องเยกันอัญญาตอบตรงไหนดีมีความรู้สึกเบื่อหน่ายว่าสิ่งที่ทำอยู่ทั้งหลาย แต่ไม่มีอยู่จริงอนี้เป็นก็เราไปคิดเองว่าไม่มีอยู่จริงแล้วต้องดูความจริงว่ามันมีอยู่จริงและไม่มีอยู่ไม่มีจริงความเบื่อหน่ายของเราก็อาจจะเกิดเพราะมันจําเจเราเจอของซ้ําๆซากๆอยู่เรื่อยมันก็เกิดความจําเจมันก็อาจะเบื่อหน่ายได้เพราะใจเรามันอยากอยากเจอของแปลกๆใหม่ๆเรื่อยนี่เราลดความอยากที่จะเจอของแปลกๆใหม่ๆเมื่อเราต้องเจอของที่มันจําเจก็ต้องยอมรับว่ามัน เราอยู่ในสภาพที่เราเลื่อนไม่ได้มันก็จะไม่เบื่อหายเมื่อที่เราทํางานนี่มันทําเรื่องจําเจซ้ำซ้ซ้อนซ้อนอยนู่นั่นแต่ถ้าเราคิดว่าเราเบื่อนายเราก็ต้องหาวิธีแก้เพะถ้าเราไม่ทำํำเราก็ไม่มีไรายได้ไม่มีเ ง, งินทองบางว่าจะทำให้เาอย่างนี้นเราก็ยอมยอมอยู่กับความจําเจเพราะว่าเราอยู่กับความจําเจความรวยนานมันก็หายไปได้ ภาวนาเห็นใจว่างแล้วครับจะทําอย่างไรต่อครับก็ให้มันว่างเป็นนานๆให้ <spinning. S 2> มันนิ่งให้มันว่างพยายามทําทั้งวันให้มันว่างทั้งหัดได้อย่างดีเพราะความว่างของใจมันทําให้ใจเราสบายคุณปอแ <binge>. ก้วครับดิฉันทุกข์กับคํานินทาของเพื่อนร่วมงานและหัวหน้ามากๆขอพระอาจารย์ช่วยแนะนําวิธีคิดครับเอ ความทุกข์ของเราเกิดจากความอยากไม่ไม่อยากจากความคำดินทาของผู้นความอยากไม่ให้ผู้่นดินทาเราแต่เราต้องมองความจริว่าเราไปสั่งคนอื่นเขาไม่ได้ไปห้ามเขาไม่ได้เขาอยากจะดินทาร์เราแล้วก็ไปยับยั้งเขาไม่ได้เขาปล่อยเขาดินทาไปมองเขาเป็นเหมือนดินฟ้ากับที่เราไปยับยั้งไปห้ามไม่ได้ฝนจะตกเราก็ห้ามไม่ได้แดดจะออกเราก็ห้ามไม่ได้แล้วก็ปล่อยมันฝนตกแดดออกไปเรามักจะไม่ทุกข์กับผล ดินฟ้ากายเพราะเรารู้ว่าเราไปห้ามเขาไม่ได้แนยคนก็เหมือนกันคนที่จะว่าเราเราก็ไปห้ามเขาไม่ได้เพอยากจะว่าเขาปล่อยเขาว่าไปใจเราก็จะไม่ถูกถ้าเราเอากระดูผู้เสียชีวิตที่เป็นพ่อแม่พี่น้องที่เคยเก็บไว้ไปลอยน้ำหรือฝังโคนไม้อย่างนี้บาปไหมครับไม่บาป อยากจะบวชชีพรามที่วัดยานครับจะติดต่อทางไหนครับก็มีเบอร์โทรศัพท์ที่เข้าไปในเว็บไซต์ของวัดยานได้เข้าไปแล้วก็จะมีหมายเลขโทรศัพท์ให้เราจองที่พักได้เพิ่งเริ่มนั่งสมาธิครับมีความคิดที่เคยทำไม่ดีในอดีตผุดขึ้นมาเยอะเลยครับจะต้องทำอย่างไรครับก็แสดงว่าเราสติยังมีน้อยเวลาต้องมีสติคอยกากับใจไม่ให้คิด ต้องใช้คำบริกรรมพุทโธพุทโธไปถึงแม้จะมีความคิดโผล่ขึ้นมาก็อย่าไปสนใจให้อยู่กับคําบริกรรมพุทโธไปเรื่อยๆต่อไปความคิดก็จะเบาลงไล่ลงไปองคุณสุภาพครับเป็นคนชอบเล่นหวยแต่ก็เล่นอย่างมีสติครับแต่ได้เงินส่งให้ลูกให้แม่แบบนี้บาปไหมครับถ้าคิดว่าเป็นการทําธุรกรรมก็ไม่บาปครัถ้าเรามีบัญชีรายรับรายจ่ายปีนี้เรา เราจ่ายไปเท่าไรแล้วรับเท่าไรถ้าราย ร, รับมากกว่ารายจ่ายก็ถือว่าธุรกิจดีก็ทําต่อไปก็ได้มันไม่ผิดกฎหมายไม่ผิดจริยธรรมถ้าเล่นแบบถ้าเล่นแบบเป็นเล่นด้วยสติด้วยปัญญาแต่ที่เขาไม่ให้นายเล่นแบบอารมณ์อพอเสียก็อยากจะได้คืนยิ่งเงินซื้อมากขึน้นยิ่งรับขึ้นยิ่งมากขึนกกข้นก็อยิ่งอยากจะได้คืนมากขึน้นก็ยิ่งทุ่มไปมากขึน้นเดี๋ยวก็หมดเนื้อหมดตัวได้แล้ว ถ้ากเราเจอคนที่ไม่เคยเจอกันมาก่อนแล้วรู้สึกปิติร้องไห้ควบคุมตัวเองไม่ได้เลยเป็นเพราะอะไรครับก็จิตจิตควาจำขอาจะคิดว่าเราเคยมีครับสัมพันธ์อะไรกับเขามาก่อนพอเห็นหน้าก็เลยเกิดความรู้สึกนี้ขึ้นมาต้องทํางานร่วมกับคนที่เราไม่ชอบทุกวันเรารู้สึกว่าเขาเป็นคนไม่ดีไม่จริงใจอยู่ร่วมกันแล้วจิตใจขุ่นมัว เราต้องเตือนสติตัวเองอย่างไรเพื่อช่วยไม่ให้โกรธเกลียดทําใจให้เมตตายากมากๆเลยครับก็อย่างที่พูดเมื่อกี้นะครับตอบเดียว ก, กันก็ให้คิดว่าเขาเป็นอนัตตาเป็นเหมือนดินฟ้า ก, กับที่เราไม่สามารถที่จะไปควบคุมบังคับเขาได้เขปล่อยเเป็นไปตามเรื่องของเขาอย่างที่มีคําตอบว่ามีคนตอบว่าอย่าไปอยากอยากไปเปลี่ยนกล้วยให้เป็นส้มเลยว่เป็นกล้วยให้เป็นทุ่กล้วยไป ครับทุกคนเราเกิดจากความอยากที่เราจะไปเปลี่ยนกล้วยใหเป็นส้มเราเปลี่ยนไม่ได้นะเองกรรมทางวาจาบาปหนักไหมครับมันก็อยู่ที่ว่าทําทําผลให้เกิดความเสียหายบ้ากน้อยเลยแต่เป็นทางวาจาแล้วทำให้เขาตายได้เหมือนก็นหนักถ้าทาให้ว่าทําทําให้วาจาที่ทําให้เขาไม่ได้ถึงกับตายเพียงแต่เขาอาจจะสูญเสีย มันถูกเข้าของหนเท่ามันก็ไม่บาปเท่ากับการที่ทําให้เขาตายมันก็อยู่ที่ว่าเราพูดแบบใดพูดแล้วทําให้เขาตายแล้วปล่าคุณศราวุธครับผู้ที่ถือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นที่พึ่งตลอดบางทีเผลอทําบาปบ้างถ้าตายไปตกนรกไหมครับก็อยู่ที่ว่าบาป ก, กับบุญานานยมากกว่ากันน่ถ้าเราทําบุญมากกว่า บ, บาปบาป ก, ก็ยังส่งผลไม่ได้ ต้องรอให้บาปมีกำลังมากกว่าบุญถึงจะส่งผลได้ถ้าเราทำแต่สมาธิไม่สวดมนต์ได้ไหมครับได้การการสวดมนต์ก็เป็นการฝึกทำสมาธิแบบหนึ่งถ้าเราสามารถนั่งสมาธิได้เลยไม่ต้องสวดมนต์ก็ได้จิตประพัดสอนหมายถึงจิตที่ยังมีอวิชชาอยู่หรือว่าจิตที่หลุดพ้นไปแล้วครับ อ๋อจิตที่ยังไม่หลุดพ้นยังมีกิเลสหลงเหนื่ออยู่ในใจถ้าที่เข้าใจได้ม า, จากจะหมายถึงจิตของพระอนาคามีขึ้นไปนนัจ้จิตจะจะสงบเพราะนับจากกาลมาลาฆะได้แต่ยังมีสังโยชนีกิเลสที่ละเอียดกว่ายังค้างๆอยู่ ใ, ในใจอยู่ที่มาทําให้จิตเศร้าหมองได้ไปทำบุญตามวัดครับแต่ยังให้แม่หาข้าวหาปลาให้กินอยู่เลย ได้บุญไหมครับเรื่องทำบุญก็ได้บุญเรื่องที่ให้พ่อให้แม่มาหาหห ข, ขาาห้ า, า ว, วาาใหเเ้เรา เ, ร น, เ, รา เ, เ น, นี้มันก็เป็นเรื่องของของการที่เราไปเบียดเบียนพ่อแม่หรือเปล่านเรตัวแล้วเราเจะมาให้พ่อแม่มาเลี้ยงมาดูอีกเลยเราเลี้ตัวเราเองไม่ได้นีเลยอันนี้ก็อาจจะเป็นเป็นการเป็นสร้างความทุกข์ยากเดือดร้อนให้กับพ่อแม่ที่เขาต้องต้องมาเลี้ยงดูเราอยู่มันเป็นคนเรื่องกันเรื่องของทําบุญแคเป็นเรื่องของทำบ เรื่องของการเป็นสร้างความทุกข์ยากเดือด้อนกับผู้อืนมันก็เป็นเรื่องอีกเรื่องหนึงมันอาจจะไม่เป็นบาปหนักแต่มันก็เป็นบาปมันก็เป็นการกระทำที่ไม่ควรคุณนกครับพระพุทธ ร, รูปที่บ้านต้องถวายน้าจุดธูปทุกวันพระหรือไม่ครับไม่ต้องทำอะไรเลยไม่ต้องมีอะไรก็ได้ไม่ไม่มีประโยชน์อะไรไม่มีคนอะไร งานชาปณกิจศพทําไมต้องแต่งขาวดําครับสามารถใส่สีอื่นได้ไหมครับมันดูเศร้าบาปไหมครับมันก็เป็นเรื่องธรรมเนียมของโลกไงโลกเราก็มีธรรมเนียมงานเลี้ยงสังสรรค์เราก็ใช้สีสดใสบักบานงานงานศพงานเศร้าเราก็ต้องใส่สีที่มันทาให้รู้สึกเศร้าสร้อยเศร้าขึา้นมาเพื่อแสดงความเคารพในผู้ตายมันจะไม่มายินดี หัวละคิดครับเวลาเราไปงานศพเนี่ยเดี๋ยวเขาจะคิดว่าเรามามาหยามคนตาย ค, คุณสุทธาชครับอายุ40กว่าปีแล้วเพิ่งจะเข้าวัดปฏิบัติธรรมคาสั่งสอนของพระพุทธเจ้าซึ่งก่อนหน้านั้นได้ทํำบาปทากรรมมามากเกิดจากเวรกรรมแต่ชาติปางก่อนไหมครับแล้วกรรมที่กระทำในชาตินี้จะแก้ไข ย, ย่างไรให้หมดไปครับก็การกระทํากรรม ในอะดิตชาติมันก็จะเป็ น, นเป็นนิสัยติดมา ก, กับเรามันก็จะทําทให้เรามาทํากรรมต่อวิธีแก่ก็คืออย่าไปทํามันเวลาจะคิดจะทําบาป ก, ก็อย่าไปทํามันเวลาคิดจะฆ่าทรัพย์ก็อย่าไปทํามันเราไปก็จะมันก็จะหมดไปได้ปัญญาอบรมสมาธิทําอย่างไรครับ ก็เวลานั่งสมาธิแล้วจิตเรามันพยอมสงบด้วยการดูลมด้วยการพุทโธแล้วก็เราค้นหาปัจจัยเหตุของความไม่สงบนี้ว่ามาจากอะไรถ้าเราห่วงใยเรื่องสุขภาพของเราเช่นเราเป็นโรคอะไรใครเจ็บที่รักษาไม่หายหมอหมออาจจะว่าอาจจะต้องตายไปไม่นานเราก็ต้องใช้ปัญญามาวิเคราะห์เรื่องของร่างกายว่าร่างกายเรามันเที่ยงไม่เที่ยง ถ้ามันเป็นสิ่งที่เราควบคุมบังคับได้แล้วเปล่าเราสามารถรักษาโรคภัยนี้มันหายได้หรือเปล่าถ้ารักษาไม่ได้เราจะทำไงเราก็ต้องยอมรับว่ามันจะต้องตายก็ยอมรับไปพอใจยอมรับความจริงได้ใจก็จะสกมมาสงบได้ไม่เครียดไม่ฟุกข์สั่นตอนนี้เรียกว่าเป็นการใช้ปัญญาทําใจให้สงบคุณอัมพรครับ ถ้าตายแล้วบริจา่างกายให้โรงพยาบาลได้บุญไหมครับไม่ได้เลถ้าอยากจะได้บุญต้องบริจาคตอนที่ยังไม่ตายตอยก็เอาไปเลยอยากจะได้หัวใจก็ออกไปเลยอยากจะได้ตับได้ตาตก็เอาไปเลยต้องทำตอนที่เรามีชีวิตอยู่มุญเกิดขึ้นจากการหนึ่งมีเจตนาสองมีการกระทวมัมีแล้วก็มีผลที่สำเร็จจากการกระทาของเขา ถือสินแปดครับแต่ทานอาหารเวลาไม่ทันโดยเริ่มทานตอนเที่ยงพอดีเวลาทานเสร็จก็เลยเกินเที่ยงไปอย่างนี้ผิดไหมครับถ้าจะถือถือแบบเทนต้องแวบบ่าผิดนะจะถือตามเหตุผลว่าเราไม่กินอาหารหลังเที่ยงวันไปแล้วนี่แต่เราไม่สะดวกที่จะตน อ, อยู่ตามเวลาอาจจะล่าช้าหน่อยก็ไม่น่าจะเสียหายทรงไหน คุณสลาวุธครับเวลาอยู่คนเดียวแล้วชอบรู้สึกกลัวผีนอนไม่ค่อยหลับควรจะหาพระมาห้อยคอไหมครับหรือจะทํายังไงจึงจะหายกลัวผีได้ครับถ้าสติมาห้อยใจหนึ่งมาเวลามีความกลัวก็นึกถึงพระพุทธเจา้านึกถึงพระในใจพุโทโธพุโทโธพุโทโธไปแล้เดี๋ยวความกลัวก็จะหายไปพุทถา น, นุสติเนี่ยเป็นพระที่ดีที่สุดที่จะมาแก้ความกลัวของเราได้ คุณดำดงครับถ้ากฎหมายหรือศาสนากําหนดให้มีภรรยาได้สี่คนอย่างนี้ผิดศีลข้อสามหรือไม่ถ้ามีภรรยาสี่คนครับก็มันก็ไม่ผิดเลยก็ว่าประเพณีของเขาเป็นอย่างนี้เราก็ไม่ผิดแต่ถ้าประเพณีให้มีภรรยาเดียวสามีเดียวแล้วเาไปแอบมีเพิ่อย่างนี้ก็ก็ถือว่าผิดคุณพัทระครับเราจะรู้ได้อย่างไรเมื่อไหร่จะหมดกรรมครับ ไ ม, มไม่มาเพรม่มเกิดคุณเป้งครับอยากทราบว่าเวลาสวดบทมนบทแผ่เมตตาใหญ่สัตว์นิบาทปานาพูดเทวดาพระอริยะได้บุญตามที่เราสวดไหมครับไม่ได้การสวดบท น, นี้ผู้สวดได้บุญคนเดียวนั่นเองได้ความสงบฝันเห็นพ่อกับแม่ที่เสียไปแล้วต้องทำบุญตักบาตรให้ไหมครับ ถ้าเราแต่เาถ้าเราคิดว่าเขามาขอส่วนบุญก็ทันไปถ้าเราไม่คิดว่าเขามาขอส่วนบุญก็ไม่ต้องทําก็ได้คุณสราวุธครับผีวิญ ญ, ญาณต่างๆสามารถมองเห็นเขาได้ไหมครับถ้ามีตาทิศก็เห็นได้คนที่มีตาทิศเข้าเข้าสมาธิดนระดับอุปจาระสมาธิได้ก็สามารถที่จะเห็นดวงวิญญาณต่างๆได้ คุณปุยนุ่นครับการฝึกให้ตนเองมีสัมมาทิฏฐิเห็นชอบกับสิ่งต่างๆรอบตัวต้องเริ่มจากอะไรบ้างครับก็เริ่มจากการเห็นว่าทุกสิ่งทุกอย่างไม่เที่ยงเมื่อมันไม่เที่ยงมันก็จะเป็นทุกข์อันนี้ก็จะเห็นมีสัมมาทิฏฐิเห็นว่าสิ่งต่างๆที่อยู่ในโลกนี้เป็นทุกข์ทุกพ์ก็ไม่เที่ยงทุกข์ก็เราไม่สามารถทำให้มันเที่ยงได้คําถามสุดท้ายครับอาจารย์ครับ ถ้าไปลดน้ำศพที่อายุน้อยกว่าเราควรจะคาระวะโดยวิธีใดครับไม่ทราบเหมอือนกันเราก็ไม่เคยไปขอโอกาสครับอาจารย์ครับวันนี้มีผู้ฟังในรายการชมโจจากเฟส926ครับในยู657ในคลับเจ็ดในติกตอก508รวมกันทั้งหมดผู้ฟัง 2,098 คนนะครับอาจารย์ครับ วันนี้ก็ลดลงมาหน่อยอจะเ ป, เป็นเรื่องของความไม่แน่นอนก็หล้วแต่ก็ยินดีกับทุกท่านที่เข้ามาฟังหวังว่าคุณจะได้รับประโยชน์มากไม่มากก็น้อยเพื่อที่จะได้นำา อ, อกไปใช้กับการปฏิบัติให้จเจริญก้าวหน้ายินน่ง่นขึ้นไปการสนทนาธรรมสำหรับคืนนี้ก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลาก็ขอให้ท่านจงนับเสิ่งที่ท่านได้ยินได้ฟังไปพิพิจารณาไปปฏิบัติ เพื่อความสงบความเจริญก้ามหน้าในทางนี้ขึ้นไปเธอสาธุเรอขอลาคุณหมอและท่านผู้ชมผูกฝั่งไว้เพลงท่านนี้ถ้าโอกาสหน้าไม่มีอาไขัดข้องก็คงจะได้พบกันอีกเช่นเคยเวลาเดิมขอเจริญพรกับพระประคุณพระอาจารย์ครับ